าบเรียนเชิญโยคีทุกท่านก ร, บราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบกราบกราบค่ะเรียนหลงพี่นะคะวันนี้เป็นวันที่สองของการปฏิบัติ การอบรมวิปัสสนากรรมฐานลักสูตรกลับมารู้สึกตัวของพระอาจารย์คันชิตอากินจโนนะคะก็ณโอกาส น, นี้กราบนิมนต์หลวงพี่ได้โปรดเมตตาสแสดงธรรมและนำปฏิบัติกับโยคียด้วยเจค่ะ ข, ขอราตนาชาจ้ค่ะเจริญพรตอนบ่ายเนาะนั่งตามสบายก็บ่ายนี้ก็อย่างที่ว่าไว้บ่ายนี้จะพาไปรู้จักแบบบททดสอบ เนาะถ้าคนเคยเจอแล้วก็น่าจะรู้ว่าจะเจออะไรเนาะถ้าคนเคยเข้าคอร์สพระจันทร์ก็น่าจะรู้ว่าแบบประสอบคืออะไรแต่ถ้าคนยังไม่เคยเจอก็เขาเรียกว่าอยากให้ลองดูเนาะอยากให้ลองดูให้ลองกับสิ่งที่จะผ่านไปอยู่ให้ลองแบบเคยดินมธรรมะที่เขาบอกว่ามันต้องเอาเป็นเอาตายอืม มันกว่าจะได้มากว่าจะเข้าใจเค ย, ยเคยเคยได้ยินไหมถามว่ามันเอาเป็นเอาตายขนาดไหนมันก็ไม่ต้องไปแลกชีวิตหรอกแต่ถือว่าไอเอาเป็นเอาตายก็คือเอาชนะใจตัวเองนี่แหละมันยากเหลือเกินเนาะมันยากเหลือเกินที่จะเอาชนะชัยตัวเองได้นั่นหละคือเอาเป็นเอาตายเอาชนะมันให้ได้เนาะบายนี้ก็ลองดูเนาะก็ถ้าเราลองดูว่ามันจะทําได้ไหมจะทนได้ไหม จะเป็นยังไงนั่นแหละคือการอาเป็นเอาตายบายนี้ก็โจทย์ไม่ยากเนาะจะให้เรานั่งกัสมาสบายๆนี่แหละนั่งคัสมาสบา ย, บายไม่ต้องทำอะไรมไม่ต้องทำอะไรเท่งนั้นนั่งเฉยๆไม่ต้องหลับตาด้วยสายตามองระยะปกติสองเมตรสมเมตรไม่ต้องสอดสายสายตาไม่ต้องบริกรรมสมทับไม่ต้องยกมือสร้างจังหวะ ไม่ต้องยุบพองไม่ต้องหนอไ ม, ไม่ต้องมีคําบริกรรมในใจเข้าใจโจทย์ไหมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแป๊บนึงเอาละครังก่อนอเข้าใจโจทย์นะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนั่งเฉยเไม่ต้องหลับตาจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแล้วเริ่มนั่งนั่งเฉยเฉยไม่ต้องหลับตามไม่ต้องมีคำบริกรรมไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องยุบพองไม่ต้องหนาเราจะนั่งเฉยเฉยนี่แหละแลวลองสังเกต ด, ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง เหยียดแข้งเหยีดขาสบายสบายได้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์กันบททดสอบที่หนึ่งเนาะเมะื่อกี้บททดสอบที่หนึ่งใครเจอความคิดบ้างยกมือขึ้นอใครเจอความง่างบ้างยกมือขึ้นใครเจอความปวดเมื่อยบ้างยกมือขึ้นใครเจอทั้งสามเลย มาหมดเลยใช่หรือไม่ขอถามไอ้สามยางเนี่ยอะไรอันไรมาก่อนเพื่อนเลยฮะง่วงเลยเหรอนั่งปั๊บยู่ง่วงเ่ยฮ้ออะไรมาก่อนเพื่อนเลยความคิดใช่ไหมนั่งไปแป๊บเดียวนี่มาแล้วนั่งแปนั่งมาสักพักหนึ่งอะไรต่อง่วงทันทีเลยสุดท้ายก็เมื่อยเนาะเจอหนึ่งสามเลยทุกไหมเนี่ย นอนยนาทีแรกทุกไหมทำไมนีงเป็นแบบนั้นล่ะทำไมความง่วงหมดถึงปรากฏตัวก่อนเพื่อนเพราะอะไรฮะทำไมเหรอฮะเออทำไมทำไมความคิดถึงปรากฏตัวก่อนก่อนเพื่อนตรวจบอกว่าไม่ต้องทําอทะไรเช่นนั้นใช่หรือไม่ไม่ต้องทำอะไรไม่ไมต้องบริกรรมไม่ต้องหลับตาไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องยกมือสร้างยังไเป็นยังไง อะไรหายไปแล้วเนาะเราจะเห็นว่าอพอมันไม่ไมีฐานปั๊บเป็นยังไงง่ายไหมง่ายไหมที่ว่าใจมันจะหลงลอยไปออกจากฐานไม่พอไม่มีฐานปั๊บมันง่ายเหลือเกินเนาะที่จะล่องลอยไปไปตับไปกับสายลมไม่รู้ไปไหนบนควงงอมค่าไปกินตอนไหนก็ไม่รู้ใช่หรือไม่เนี่ยคือการที่ไม่มีฐานทําไมเราต้องมาฝึกกรรมฐานกับพ่อเนี่ยให้ใจมันรู้จัก จากที่จากทางให้ใจมารู้จักบ้านตัวเองให้ใจรู้จักวิหารละธรรมทีนี้ตอเนื่องมาสักพักหนึ่งอะไรขึ้นนะเมื่อความคิดมันกำลังเพลินๆอยู่ไม่มีฐานปั๊บเพลินมากเลยงอแงงอแงงอแ ง, ง, อ ง, ง, อ ง, ง, องเริ่มขอบเริ่มเบอร์มีไหมภาพเริ่มเบอร์ขอบเริ่มเบอร์การมองเห็นเริ่มเบอร์แต่ภาพภาพความฝันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นมีไหมสักพักนึงก็วูบหลับไปมีไหม งกไปแล้ว ừ. เยอะปะเนี่ยความง่วงเนี่ยรุมรอนมากไหมตั้งมาใหม่ก็ อ, อ่อีกแล้วล่ะตั้งมาใหม่ก็อีกแล้วล่ะใช่หรือไม่โอ้ลุมรอนมากแล้วตัวสุดท้ายล่ะน้องใหม่มาแรงแสงทุกโค้งแสงผู้พี่ทั้งสองคืออะไรนั่งไปนานๆเกิดอะไรขึ้นปวดไหมเมื่อยไหมเห็นไหมโอ้นั่งตายให้นั่งตอนไหนนาะเพิ่งจะบ่ายโมง ไม่ใช่นอนหรอือบ่ายสี่โมงให้เลิกมีไหมมันบ่นอยู่ขาก็ยิ่งไปดีเอวยิ่งไปดีเดี๋ยวเป็นนอนเป็นนี่ใครจะมาดูแลมีไหมอืมไม่ใช่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเหรอกกว่าจะให้เลิกเนี่ยก็ตายแน่แน่มีไหมเนี่ยเป็นทุกข์ไหมลองสังเกต ด, ดูว่ายี่สิบนทีแรกทุกเยอะไหมกับอาการที่มันปากฏความง่วงความคิดเข้ามาก็เป็นทุกข์มีไหม โอ้คิดเดยอะแยะมากหมายเต็มไปหมดทําไมมันเยอะขนาดนั้นความง่วงมาเป็นยังไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วอายเขามานั่งสับมันคงเขาเห็นเนาะง่วงเหลือเกินเอาก็ไม่ไหวสู้ก็ไม่ไหวความฝวดก็เข้าแทรกอีกเนาะเราเห็นว่า20่นาทีแรกเป็นยังไงความทุกข์ถาโถมไหมเนาะสุดๆมาทุกอย่างทีนี้แล้วก็บอกว่า10บนาทีสุดท้ายให้เราทําอะไรนะ ให้เรามาเจริญให้เราใส่กรรมฐานเข้าไปลงไปทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรกลับมาแล้วฐานกลับมาใช่ไหมเรามีฐานแล้วเราก็เอาใจกลับมาอยู่ที่ฐานเป็นยังไงทีนี้ความคิดเป็นยังไงความคิดเป็นยังไงความคิดก็ยึดติเดเยอะเหมือนครั้งแรกไหม ย, ยาวนานเหมือนครั้งแรกไหมใครยังยาวนานอยู่ เขยังไม่กลับเนาะแต่สังเกตไอ้ความคิดมันมันก็เฮ้ยสนะั้นลงเนาะสั้นลงเบาบางลงหรือบางทีก็ยุติไปไม่รุนแรงเท่าครั้งแรกไม่เยอะเท่าครั้งแรกแล้วความง่วงเราเป็นยังไงพอเรามีคำวมาฐานเรามายกมือสร้างจังหวะครับเป็นยังไงบ้างอความง่วงเป็นยังไงหายหายไปไหมไม่หาย หายไปไหมหายหายไปอยู่แต่ถามว่ามันรุนแรงเท่าครั้งแรกไหมล่ะเนาะมันหายไปบางทีมันก็มาใหม่ใช่หรือไม่แต่มันก็ไม่เท่าครั้งแรกแล้วพอพออยู่ได้ไห ม, อมพออยู่กับมันได้ไหมอันนี้แหละคือตัวสําคัญเนาะนักปฏิบัติธรรมส่วนมากหรือที่อื่นปฏิบัติธรรมเขาจะบอกให้จัดการกับความง่วงให้ข้ามันข้าอย่างไความง่วง เขาบอกนะให้ให้ผ่านความง่วงไปให้ได้ให้เก้าผ่านมันข้าวอย่างไงอะนั่งท nah, ี่อะไรก็ง uh ่วงอยู่ทุกทีเนาะเห็นที่อะไรง่วงอยู่นั่งมาสองนั่งมาสามปีสี่ปีก็ยังง่วงอยู่เหมือนเดิมเนาะมาค่าอย่างไงมาจัดการอย่างไงความง่วงเนาะแต่เราจะเห็นว่าพอเรากลับมารู้สึกตัวมีคำประทานปั๊บเฮ้ยความง่อมก็ยังมีอยู่ใช่หรือไม่มันก็ยังมีอยู่แต่ถามว่ามันรุนแรงไหมมันรุนแรงเท่ายีสิบนาทีแรกไหม ไม่เนาะกับพ อ, อกับพออยู่ได้ใช่ไหมบางทีก็หายไปด้วยบางทีก็ตื่นขึ้นมาแต่สักพักก็เป็นยังไงอีกง่วงไปอีกแล้วเนาะแต่กับพออยู่ได้กับมันทีนี้ความปวดเมื่อยล่ะเป็นยังไงสิบนาทีท้ายความปวดความมื่อยเป็นยังไงฮะมันดูแรงเท่าครั้งแรกไหมมันดูแรงเท่ายี่สิบนาทีแรกไหม ทำไมไม่รุน แ, แรงเท่าย0ิบวนาทีแรกเราเรานั่งนานกว่าเดิมนะเรานั่งเพิ่มมาอีกเนาะทำไมถึงไม่รุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีฐานแล้วใช่หรือไม่เรามีฐานแล้วใจอยู่ติฐานแล้วปั๊บเออมันก็ความปวดความเมื่อยมันก็ทุเลาบ า, าบาบางลงเนาะมันก็เบาบางลงเพราะว่าเขาเรียกว่าเราลองดูดีๆอะไรแหละที่พาไปเป็นทุกข์อ่ะอะไรที่ ลองย้อนไปดู20นาทีแรกอะไรอะ่ะอาการความคิดมันมีอยู่แล้วความง่วงมันก็มีอยู่แล้วความปวดเมื่อยมันก็มีอยู่แล้วแต่ทำไม20นาทีแรกมาถึงทุกข์มากเลยเพราะอะไรลองย้อนไปดูประสบการณ์ตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นฮะพราใจไม่มีก ร, รมฐานใช่หรือไม่พอใจลงไปเล่นด้วยสังเกตไหมใจลงไปเล่นกับความคิดตัวเอง คิดเยอะจังเลยเป็นทุกข์อีกความงงงงก็มาจะมองงงอะไรตอนนี้อายเข า, าเป็นทุกข์อีกความปวดความเมื่อยก็มาจะนั่งให้นานจะให้นั่งจะนั่งให้นานแค่ไหนนาะเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเลยเหรอมันก็ทุกข์อีกใช่หรือไม่พอใจลงไปเรื่อปับ๊บมันกลับเป็นทุกข์แต่พอสิบนาทีสุดท้ายเรากลับมาสร้างกรรมฐานเราเอาใจมาอยู่ที่ฐานใช่หรือไม่เป็นยังไงทีนี้ พอใจมาอยู่ในฐานเป็นยังไงอาการเหล่านั้นมันก็พออยู่ได้ไหมเนาะพอพออยู่ได้แต่ถามบ้านมันหายไปไหมล่ะอาการมันหายไปไหมไม่ได้หายแต่เราก็พออยู่ได้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเนี่ยเกิดการฝึกเอาใจกลับบ้านถ้าเราดูดีๆทีนี้เนาะเราลองดูดีๆมีไหมใครที่ยกมือไปยกมือมาในสิบนาทีสุดท้ายเห็นความคิดไหมมีแรงมีมีค่อยด้วยมีไหม มีไหมสั้นยาวมีไหมบางเรื่องก็สั้นๆบางเรื่องก็ยาวๆแล้วเราก็ดับลงมีไหมแล้วก็มาใหม่มีไหมควา ม, มง่วงหรอมีรุนแรงมีค่อยมีไหมได้สังเกตไหมเนี่ยว่าของง่วงเนาะบางทีมันก็รุนแรงบางทีมันก็ค่อยบางทีมันก็ดับไ ป, บ า, บ, ไปบางทีมันก็มาใหม่มีไหมอยู่แบบเนี้ยหรือแม้แต่ความปวดความเมื่อย มีใครไหมสิบนาทีสุด ท, ท, ท้ายนั่งไปนั่งมารู้สึกว่าเอ้ยความปวดความเมื่อยมันก็มีแวบๆหายสักพักหนึ่งก็ทุเลาบ า, างบงลงทุเลาบาางลงสักพักหนึ่งก็ขึ้นมาใหม่มีไหมบางทีก็หายไปแต่หายไปนานไหมละ่ะเดี๋ยวก็มาใหม่อยู่แบบนี้สังเกตดูสิว่ามีมีเหลานี้จริงไหมเนาะทีนี้เนาะที่เห็นตรงเนี้ย ลองเห็นตรงนี้ดูเนาะแล้วมันมีอันหนึง่งอันนี้อันนี้ก็สำคัญยี่สิบนาทีแรกมีใครที่บอกว่ามันเจอทุกข์เหลือเกินมันเจอทุกข์เหลือเกินไม่ไหวแล้วขอสักหน่อยเถอะขอดูลมหายใจหน่อยมีไหมขอกลับไปคําบริกรรมขอกลับไปบริกรรมที่เราเคยทํามีไหมมีใครไปดูลมหายใจบ้างยกมือขึ้นตอน20่สิบนาทีแรกมันทุกข์มากเลยขอสักหน่อยสักครดหนึ่งก็พอมีใครไปยุบพอง มีใครไปหนอมีใครขยับขอขยับร่าง ก, กายสักทีหนึ่งมีไหมใครไม่ไปไหนไหนเลยมีแต่บ่นอย่างเดียวเนาะเอาสำหรับคนที่ไปก่อนเนาะสําหรับคนที่แบบขอดสักหน่อยเถอะลมหายใจสักเลอกหนึ่งก็พอให้มันรู้สึกขอบริกรรมสักหน่อยให้มันรู้สึกขอเคลื่อนไหวให้มันรู้สึกอันเนี้ยเขาเรียกว่าสําคัญนะตรงเนี้ยถ้าเราฝึกตรงตรงนี้ไว้แสดงว่าเรามีวิหารเราทำเราเริ่มมีวิหารเราทำ จิตมันเริ่มมันเริ่มรู้จักทางกลับเนาะและสำคัญยังไงสำคัญตอนไหนบอกเลยว่าเมื่อใกล้าตายเนาะเมื่อภาวะใกลเมื่อภาวะใกล้ตายนั้นเมื่อภาวะเราใกล้าตายหรือว่าจิตอ่อนแอที่สุดนั่นแหละมันจะไปอาที่เกาะที่เกาะเกี่ยวเราเคยฝึกอันไหนมามันก็จะไปอยู่กับสิ่งนั้นเนาะเราเคยดูลมหายใจมามันก็จะไปกับสิ่งนั้นเราเคยบริกรรมอันไหนมามันก็ไปกับสิ่งนั้น เราเคยขยับเราเ้ยเคลนไปมามันก็ไปกับสิ่งนั้นอันนี้คือวิหารธรรมสาคัญนะมันช่วยเราเราได้เนาะมันช่วยเราได้จิตถึงเขาจะบอกว่าจิตมันฝึกเออจิตมันคุมไม่ได้มันไม่อาจมาคับบัญชาได้มันก็จริงอยู่แต่มันฝึกได้เนาะเราเคยทําสิ่งไหนเราเคยภาวนาไหนไว้มันจะไปกับสิ่งนั้นเมื่อมันทุกข์มากเนี่ยสำคัญรับประกันได้แม้แต่ตอนตาย รับประกันได้เลยว่าเราจะไปกับสิ่งนี้อย่างน้อยเป็นที่พึ่งได้เนี่ยทำไมเราตึงต้องมาฝึกกันทีนี้สาหรับคนที่คนที่แบบบนอย่างเดียวไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยอันตรายเข้าใจไหมบอกเลยว่าอันตรายรีบซะเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อถึงตอนนั้นจิตที่มันอ่อนแอที่สุดจิตมันต้องหาที่เกาะเกี่ยวมันต้องหาที่ไปเกิด ไม่เคยสร้างร่องรอยกรรมฐานไว้มันจะไปกับอะไรล่ะไปตามยะถากรรมเขาจะคำว่ายะถากรรมเราเคยได้ยินไหมไปตามยะถากรรมนี่แหละยะถากรรมกรรมก็มาแบ่งอีกทีนี้กรรมดีหรือกรรมไม่ดีกรรมชั่วหรือกรรมไม่ชั่วก็ต้องดูอีกว่าเราสร้างขนาดไหนถ้าชีวิตนี้ทำความดีไ้เยอะ สร้งร่องรอยบุญกุศลไวให้เยอะหน่อยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วน้าตรงนั้นเนาะหน้าตรงนั้นมันอาจจะเปิดมาเขาเรียกว่าบัญชีตองคําบัญชีหนังหมามันจะปราปกฏเนาะมันไม่ใช่ตายไปแล้วมันก่อนตายนี่แหละมันขึ้นมาหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเราจะคิดว่าโอ้เราลืมไปแล้วไม่ไม่มีทางเนาะเมื่อถึงตอนนั้นน่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะเปิดเรื่องราวเก่าๆมันจะปราปกฏ เคยได้ยินเคยรู้จักไหมอันนี้ไหมเหมือนคนแก่เวลาใกล้ตายจู่ๆเขาก็พูดถึงเรื่องเก่าๆสมัยอดีตเคยไหมเคยรู้จักหรือว่าเคยสัสมผัสไหมคุณยา่าคุณตาคุณยายที่แบบจู่ๆ ก, ก็เพอเพอเรื่องเก่าๆเรื่องนั้นตั้งนานแล้วเรื่องตั้งแต่เป็นเด็กเป็นใบรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนาะอันเนี้ยบอกเลยว่ามันมาหมดแหละเนาะเคยทําสิ่งไหนไว้มันมามาหมดเลย มันเปิดมันเปิดก็คือ ว, ว่าจิตที่มันมันคลายตัวมันจะเปิดออกที่มันเก็บไว้ถ้าเราเคยทำสิ่งดีๆไว้ร่องรอยความดีมันจะปรากฏเป็นบันจีทองคาเปิดมาแป๊บนานนี้ก็อทองมันจีทองคาความดีความสุขความภาคภูมิใจบาปนิดนึงดีดีสุขบุญบุญบาปนิดนึงบุญบุญบุญตายแป๊บตรงนั้นก็สุคติเป็นดีพึ่ง เนี่ยวัดกันแบบนี้เลยนะนั่นแหละเนาะทำไมจึงบอกว่าให้เราทำความดีไว้เป็นร่องเป็นรอยเป็นพื้นฐานของชีวิตคือตรงเนี้ยแต่ท้าชีวิตนี้เมื่อใกล้าตายปาั๊บอึมคึมอึมคึมแล้วโผล่มาก็เหมือนชีเล่มสีดำๆเปิดมาก็เหมือนชีดังมาเปิดมาหน้าอะไรก็บาปแล้วบาปบาปบาปสักหน่อยบุญนิดนึงบา ป, บาปเปิดไปก็บาปเปิดไปก็บาป บุญแถมนิดนึงบาปบาปบาปตายปา๊ตรงนั้นก็เรียบร้อยทุ ก, กติก็เป็นที่พึ่งอบายภูดก็เป็นเป็นดีพึ่งได้เนาะมันวัดแบบนี้เลยอย่าอย่าอย่าคิดว่าตายไปแล้วให้พระมาสวดแล้วจะขึ้นสวรรค์พระก็ไม่รู้หรอกว่าได้ขึ้นไหมเนาะพระก็ไม่รู้หรอกว่าสวดให้ไปนั่นคนได้ไปได้รับไหมหรือได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมไม่รู้ไม่เคยไปเห็นไม่เคยไปด้วยเนาะ แต่เรารับประกันแน่ว่าก่อนตายนี่แหละล ม, มันทําได้มั น, มนทําได้ถ้าเขามีร่องรอยมีบุญมีกุศลอยู่เราช่วยกันได้หรือพาเขาแล้วเลือดลึกถึงก็ช่วยได้เนี่ยเรื่องสำคัญถ้าเขายังไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนาะแต่ถ้าชีวิตนี้ไม่ก็ไม่เคยเลยโอ้มีแต่บาปมีแต่เรื่องไม่ดีมีแต่อกุศลทั้งหลายนี่นี่ยากมากๆเพราะว่าเคยไปเห็นแล้ว ตอนแรกเราก็เคยดูเฉยๆเนาะเคยดูเคยเขาเขาเล่ามาคำว่กรรมวันนิมิตกรรมวั น, นิมิตก็คเคยอเวลาคนแต่ก่อนไงเขาชอบมาเล่าเวลาคนใกล้าตายถ้ามันมันจะมีตายไม่ดีแบบดินรนทุนลายแล้วก็รู้ไว้เฉยเนาะแต่ยังไม่เคยเจอของจริงหรอกแต่วันหนึ่งไปเจอโอ้เห็นแล้วเขาบอกว่าภาว่าใกล้ตายเนาะคนใกล้ตายโดยส่วนมากจะเป็นแบบไหนที่เรารู้รู้จัก จะมีแรงดิ้นจะมีแรงอะไรไหมเนาะถ้านอนนิ่งๆอย่าเฉยใช่หรือไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีแรงแล้วแต่คนเนี้ยใกล้ตายแต่โดนมัดแขนมัดขาไว้โดนมัดแขนมัดขาสี่มุมแล้วก็ดิ้นทุรนทุนทนลายร้องเหมือนสัตวนะ์เนี่ยแล้วร้องเหมือนสัตว์แล้วก็มีตานี่ตาเหลือกเนาะเป็นตาขาวแล้วก็ว่าโอ้อันนี้ไงที่เขาบอกว่ากรรมนิมิตเป็นแบบนี้เองถ้าชีวิตไม่เคยทําความดีเลยไม่เคยสร้างร่องรอย บ, บุญกุศลไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมันจะเป็นแบบเนี้ยเมื่อใกล้าตายมันจะขึ้นมาหมดเลยร้องก็ร้องเหมือนสัตว์เนี่ยาะร้องเหมือนสัตว์ไม่ไม่เป็นภาษาคนดินทุรนทุรายแต่ใกล้าตายแล้วคิดดูเนาะต่อให้พระมาอยู่ค้างมาตอนนี้พระมาอยู่นะมาให้เลือกถึงบุญกุศลนะคิดว่าเขาจะมาเขาจะกลับมาไหมไม่แล้วเอาไม่อยู่แล้วบอกไปได้แล้ว มันแรงมากแรงกรรมมันแรงมากเนาะมันมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยตามยาถากรรมแบบนั้นจริงนั่นแหละไปะเห็นแล้วแบบเออเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้เองเห็นกับตาแล้วอเนาะอันนี้ก็สําคัญเนาะที่บอกว่าสําคัญนะถ้าเราให้เราเริ่มฝึกได้แล้วถ้าใครยังบอกว่าเออมันยังไม่เท่าไหร่มันยังไม่ไปเองมันยังไม่มีร่องรอยมันยังบนอยู่เริ่มได้แล้วเนาะยังมีเวลาอยู่ฝึกได้แล้ว ให้มันเป็นตัวรับประกันตัวเองว่าเออฉันจะมีสิ่งนี้นะเป็นเป็นที่พึ่งเป็นวิหารเราทำในยามที่มันทุกข์ในยามที่มันเจ็บป่วยเนาะแต่ถ้าใครมีแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจเนาะอุ้ยฉันฉันมาหยุดลมหายใจแล้วที่ว่าก็อย่าเพิ่งดีใจทําต่อไปเรื่อยเนาะทำต่อไปให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้มันเป็นชีวิตไปไปส่วนหนึ่งไปนั่นแหละคือการรับประกันมันรับประกันการตายได้เนาะคือตรงนี้แหละ เนี่ยก็สําคัญแล้วทีนี้ <c oughs> มันมีสิ่งหนึ่งเนาะพอเรานั่งไปนา น, น, านขึ้นนานนานเรานั่งไปยี่สิบนาทีสาสินาทีเนาะโจทย์บอกว่ายี่สนาทีแรกก็คือนั่งเฉยเยความปวดความเมื่อยมันลุ่มแล้วไหมความปวดความเมื่อยมันลุ่มแล้วไหมพอสิบนาทีเป็นยังไงบ้างความปวดความเมื่อยพอเรากลับไปยกมือสร้างจางังหวะ เป็นยังไงทุเราเบาบางไหมแต่มันก็มีอยู่มีอยู่ใช่ไหมมีหายมีหายไปไหมมีไหมมีกลับมาใหม่ไหมมีหายไปมีกลับมาใหม่อยู่แบบนั้นแหละใช่หรือไม่มีเข้ามีออกมีไหมบางทีก็โอ้ปวดอยู่แล้วใจลงเข้าไปเล่นด้วยมีไหมบางทีก็ออกมาอยู่กับรู้สึกตัวมีไหมข่ายเหตุการวิ่งเข้าวิ่งออกตรงนี้บ้างยกมือขึ้นมีไหมเนี่ย บางทีใจลงไปเล่นด้วยก็เป็นทุกข์บางทีก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมีไหมเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แบบเนี้ยสักพักหนึ่งก็อยู่กับรู้รสึกตัวสักพักหนึ่งก็ไปเล่นกับอาการปวดไปเล่นกับอาการง่วงไปเล่นกับความคิดแล้วมีไหมแล้ว ก, กลับมาวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แบบนั้นแหละอันนี้สําคัญสําคัญอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมคืออะไรอันนี้คือการทํางานของอยาศาสตรษษ์สเนาะยศาสตร์สตรงๆเลยคือตรงเนี้ย เราอาจจะท่องได้เราอาจจะรู้จักแต่ถามว่าแล้วมันคืออะไรล่ะวิยศาสตร์สี่ที่เราท่องได้มันเป็นแบบไหนล่ะถ้าลองดูอาการเนาะทุกมันเกิดปั๊บเห็นใจลงไบเร่ยนไหมล่ะกับอาการเหล่านั้นปวดความง่วงความคิดเห็นไหมใจตัลงไปเบเรยนด้วยพอเรายกมือสร้างจังหวะเป็นยังไงฮะ พอเรากลับไปยุคเมื่อสร้างจังหวะเป็นยังไงอาการเหล่าเหล่านั้นเป็นยังไงทุเราบาบางไหมนั่นแหละอันเนี้ย ม, ม, ม, ม, มันมันมันมันเาเรียกว่ามันก็เป็นหนึ่งในยศาสตร์สี่แล้วทุกเราก็ไปเจอกันแล้วใช่ไหมทุกไปเจอแล้ ว, ก, ลวกระบวนการเห็นแล้วว่าเอ้ยพอใจลงไปเล่นมันก็เป็นทุกนี่หว่าของงวงปรากฏใจลงไปเล่นด้วยเป็นทุกอีกความปวดเมื่อยปากฏใจไปเล่นด้วยก็เป็นทุกอีก ความคิดปรากฏใจไปเล่นด้วยก็เป็นทุกข์อีกแต่พอเอากลับมาฐานได้เออมันก็พออยู่ได้เนี่ยคือกระบวนาการอิสัะสีตรงๆเลยเนาะอ ย, อยู่ตรงนี้แหละให้เราได้เข้าใจเนาะว่าตรงเนี้มันคืออะไรเนาะบททดสอบที่หนึ่งก็ให้เราเก็บเป็นประสบการณ์ไว้เนาะเก็บเป็นประสบการณ์ไว้จะได้รู้จักมันว่าเออแบบนี้เนาะอาการที่มันเป็นเออทุกเป็นแบบนี้เนาะ แต่พอเรามีกรรมฐานมันก็เป็นแบบนี้เนาะออทำไปทํามามันก็เป็นอยู่แบบนี้เนาะเนี่ยเป็นประสบการณ์เนาะให้เราได้เก็บไว้ขออย่างเดียวเนาะอย่าปฏิเสธมันมันมีอีกแหละเดี๋ยวมันมีอีกครั้งที่สอ ง, ท, สองที่สามเราเราอยู่กันกี่วันเนี่ยเนาะมีแน่นอนแหละครั้งที่สองที่สมเนาะแต่ครั้งครั้งแรกนะให้เราเก็บไว้เป็นเป็นประสบการณ์เดี๋ยว<ม>ค่อยมาถอดบทเรียนกันว่าครั้งที่สองที่สามมันจะเป็นยังไง ครั้งแรกได้รู้แล้วใช่หรือไม่ได้ไปลองแล้วได้ไปเห็นแล้วได้รู้จักกระบวนการแล้วอได้รู้วิธีกับตรงนันแล้ ว, ลวนี่แหละแต่ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเนา ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นเลยไหมครับ <c oughs> ครั้งที่สองเลย มางั้นเบอร์เนาะงั้นก็มาครั้งแรกก็ไปแล้วทีนี้เหมือนเดิมเนาะอยากให้เราครั้งที่2อ่อาให้หยียดแข้งเหยีดขาก่อนยังไม่พร้อมก็เหยียแข้งหยีดขาเหมือนเดิมครั้งแรกเก็บเป็นประสบการณ์ไปแล้วมาดูซิอีกครั้งนี้จะเป็นยังไง ย, ยังไม่ได้พักเลยใช่ไหมเอาแล้เวเหรออ่ะมากลับเข้าที่นั่งกัน ส, สบายๆโจทย์เหมือนเดิมเนาะโจทย์เหมือนเดิม20นาทีแรก20นาทีแรกนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหลับตามไม่ต้องบริกรรม ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นและส0นาทีสุดท้ายค่อยใส่การเจริญสติติ14จังหวะลงไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มแล้วสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับเรา เอ uh, คำถามแรกพระอาจารย์ยากถามพวกเราใครรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวขึ้นกว่าเดิมยกมือขึ้นทําไมือทําไมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวทั้งที่มันเท่าเดิมอว่ามาใครรู้สึกยังไงก็ว่าได้เลยไม่ ไม่ต้องไปเกรงว่าฉันจะตอบถูกไหมฉันจะอะไรไหมคือเรารู้สึกยังไงคือเรื่องของเราอะทำไมเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีเหตุผลแบบนี้แหละของฉันะ่ะเออวามะยกมือสิฮะจะได้รู้ว่าใครจะพูดเชิญอ่าเนีน่ยนะยกมือแล้วไม่กำลังไปเชิญจ้า มันเริ่มชินเจ้าค่ะมีความชิน เ, เริ่มชินกับการการเรียนดูการทำตรงนี้เนา ะ, ะก็เลยรู้สึกว่ามันไหวขึ้นโอเ ค, คมีอีกไหมเชนะิญฮะแถวอีกแถวนึงอะ่ะยกมือเมื่อกี้ใครยกมือเมื่อกี้อเออพาอรู้กรอบเวลารู้ว่ามีกรอบเวลาคือสาสิบนาทีชัดเจนใช่ัหม มันก็เลยไม่ไปกังวลกับเวลาว่าจะเท่าไหร่เท่าไหร่คือมันมีกำหนดชัดเจนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฮะเจอนะมีอีกไหมเมื่อกี้จะตอบทั้งหลายคนพอจะเอาไมให้ไม่ตอบเลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นออาแล้วยกมือไม่จะได้ไปหาเดี๋ยวเขาตอบพวกเราไปแล้วอะไรแค่สองคำตอบเอง มันต้องมีดิที่ไม่เหมือนกันน่ะเชิญฮะเออเราเรียนรู้ร่วมกันถอดบทเรียนด้วยกันออทั้งนี้ฮะข้างหน้าเลยข้างหน้าใจมันไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวลาเหมือนครั้งแรกอะคะ่ะ ใจไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวลาก็แค่ทำไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ถึงแหละวางใจกับเวลาไปช่างมันเวลาเท่าไหร่ก็ช่างมันฉันแค่ทำของฉันไปใช่ไหมเ้าค่ะโอเคอ่ะมีอีกั้มเชิญฮะคันคำถามมีคำถามหนึ่งยังมีความคิดที่ฟุ้งอยู่ไหม มีความง่วงไหมมีความปวดเมื่อยไหมมีทั้งหมดเนาะแต่มีใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองทุกข์กับสิ่งนั้นน้อยลงยกมอขึ้นอืมเพราะอะไรคำถามอีกเพราะอะไรอีกเชิญการตอบคำถามได้บ่งบอกถึงว่าขาดนั้นเราได้สังเกตบางอย่างการสังเกตเห็นนั่นแหละมันทำให้เราตอบได้อาจารย์ถามว่าเพราะอะไรเนี่ยเออเราจะสังเกตเห็น มันมีกระบวนการบางอย่างเกิดขึ้นนั่นแหละเราได้สังเกตเห็นมันไหมอาจารย์หนึ่งถามว่าเพราะอะไรเชิญฮะใครจะตอบอคนเดิมฮะนักเรียนเรามีแค่สามคนฮะมันเหมือนอจิตมันยอมรับอะค่ะมันมีการยอมรับเจค่ะยอมรับว่า ได้เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาครั้งหนึ่งแล้วอมันเคย <ทำ S 2> มีประสบการณ์นนรมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะแล้วทำ<ช>ตอ่อเรื่องไปอีกมันจะยอมรับง่ายขึ้นค่ะมันจะเกิดการยอมรับค่ะรู้สึกว่าเรายอมรับยอมรับในเรื่องความคิดที่มันเกิดขึ้นเจ้าค่ะยอมรับในเรื่องความง่วงที่มันจะเข้ามายอมรับในเรื่องความรู้สึกที่ว่าเวทนามันจะมาใช่ไหม มันยอมรับได้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะโอเคฮะนี่อีกไหมเชิญฮะเชิญมันมีมันเหมือนใจมันตั้งขึ้นมาได้อะค่ะเหมือนใจมันตั้งขึ้นมาได้อย่างไรคือก่อน น, นั่นนี้เดี๋ยวต้องเท้าวความนิดนึงว่าประมาณสัก3ามปีเคยเข้าคอ น, นี้มาก่อนและอาการที่เกิดขึ้นคือ รู้สึกว่ารู้ไปหมดเลยตอนนี้ง่วงตอนนี้ปวดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระอาจารย์เคยให้แนวทางว่ายังไม่มีวิหารธรรมเหมือนกับยังแบบตามมันไปหมดทุกอย่างเลยแต่ตอนเนี้ยอาการเกิดขึ้นทุกอย่างแต่เราอยู่กับจังหวะของเราอ่ะก็เห็นเห็นเห็นเห็นเห็นอ่ะมันเป็นก็เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราก็ยกมือของมันไปหลุดแล้วก็กลับมาใหม่ประมาณนี้ค่ะอืมชัดเจน ตอนนี้มันเหมือนกับเรามีวิหารธรรมใช่ไหมพอเรามีวิหารธรรมก็ความคิดมันก็เกิดนั่นแหละตอนแรกแรกครั้งแรกใช่ไหมเ ร, เราเปรียบเทียบจากครั้งแรกเลยใช่ไหมว่ามันต่างกันเลยว่าครั้งแรกเนี่ยพอความคิดเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นความปวดเมื่อยมันมีอาการเข้าไปเข้าไปเป็นโดยที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีวิหารธรรมเนาะแต่พอครั้งที่สองเนี่ยใช่ปะเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันมีความตั้งมั่นขึ้นมันมีที่อยู่ชัดเจน ว่าเวลาอะไรมันเกิดขึ้นก็ตามมันก็เห็นว่าอันนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแม้จะมีหลงเข้าไปบ้างแต่มันก็กลับมาได้เร็วขึ้นหรือบางครั้งมันไม่ได้หลงเข้าไปเป็นกับสิ่งนั้นด้วยซ้ํามันแค่รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่เราก็อยู่กับการสร้างวิหารธรรมคือความรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมโอ้ชัดเจนสาธุจ่าเชิญนะ วันนีอาจารย์อธิบายขยายความข้อความที่จะตอบมันไปกับอาจารย์หมดแล้วค่ะคุณตอบ <laughs> ไม่คุณตอบได้คุณตอบได้อยากจะรู้บางแกนแล้วคุณตอบไปยังไงคือที่คิดจะตอบก็คือว่าเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรารู้จากจากที่คุยกันครั้งแรกแล้วก็มีคาแนะนาว่าจากท่านพระอาจารย์น้องะคะว่า เ, เราควรจะรู้จักที่จะมีวิหารธรรมหรือถ้าเราเกิดอาการแบบง่วง หลงไป ง, ง่วงเนี่ยเราควรจะมีวิธีการทำกับมันเช่นหายใจรู้จักการหายใจเพิ่มขึ้นไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่งเฉยเฉยคือมีทางแก้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีตัวรู้ว่าเอออันเนี้ยมันจะมีอาการที่จะเกิดขึ้นซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องปกติว่าถ้าเราอยู่เฉยเฉยจิตเราก็ไม่มีฐาน ม, มันก็ฟุ้ง แล้วเราก็สามารถเรียกกลับมาโดยเรารู้วิธีเราจะทำยังไง ม, มันหลุดไปก็เรียกใหม่มก็เห็นเป็นเรื่องปกติว่ามันเกิดขึ้นไปเกิดแล้วเราทำยังไงมันไม่ใช่ว่าเออไม่เคยรู้มาก่อนแล้วทำไม่ถูกอะค่ะอืมก็ขอบคุณมากสังเกตไหมคำพูดเมื่อกี้คือบงบอกว่าเราได้เรียนรู้แล้วเราได้เข้าใจกับมันบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำที่พระเจ้าบอกไว่าภิกษุเมื่อได้เรียนรู้เห็นอย่างนี้แล้วและเข้าใจอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นย่อมคลายกำนัดย่อมคลายความยึดติดถือมันกับเรื่องราวเหล่านั้นฟังสิเมื่อเรายังไม่ได้เรียนรู้เรายังไม่ได้ฝึกฝนใช่ไหมเราก็ไหลเข้าไปเป็นกับมันทุกเรื่องทุกราว แต่พอเราเริ่มได้เรียนรู้เริ่มมีความเข้าใจเริ่มมีคําแนะนําจากครูบาอาจารย์จากผู้รู้ที่ผ่านประสบการณ์และแนะนําให้เรารู้จักเขาเรียกว่าเริ่มเกิดการเรียนรู้เริ่มเข้าใจกับมันเพราะฉะนั้นพอจะเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บมันจะมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า <c oughs> เอ้ยนี่ไงเราต้องทําแบบนี้สิมัถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นต้องทําแบบนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่มันเริ่มเข้าใจแล้วมันเริ่มมองเห็นและมันเริ่มที่จะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นในตัวของเราเองถูกไหมอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากจะเห็นได้ว่ามันมีภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็กคือมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีใครสังเกตเห็นอะไรอีกไหมพออาจารย์จะพูดแล้วก็เลยไม่อยากพูดแล้วเาเอะเดีเ๋ยงได้ฟังคือเก่าแหละมาอยากฟังพวกเราบ้างมีไหมเชิญฮะ ตอนที่ไม่มีวิหารธรรมมันก็จะง่วงนานกว่านี้แล้วก็เมื่อยนานกว่านี้แต่พอมีวิหารธรรมพระอาจารย์บอกว่าให้ตัดเป็นช่วงๆให้เริ่มใหม่อยู่กับข้า้าปัจจุบันแต่ททอันที่ง่วงมันก็เลยแบบมันก็เลยไปอยู่โมเมนต์ที่แล้วเลยอขอบคุณครับพอใช้ความตั้งใจขึ้น ท, ทําทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งมันชัดเจนขึ้นใช่ไหมอืมอ่ามีอีกไหมมีอีกไหม ว่าไงคุณผู้ชายเราเป็นฝ่ายชนกลุ่มน้อยก็ควรจะแสดงเสียงบ้างนะเดี๋ยวเขาจะหาว่านะฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่ยอมแสดงบทบาทเนี่ยจะมาแสดงบอยวายทีหลังไม่ได้นะเลยวๆเขาให้โอกาสแล้ว ช่วงยุคนี้ก็ยุคให้ให้โอกาสเสียงข้างน้อยคะแนนยังไม่ถึงสามหมื่นจะได้เป็นสสเลยฮะคะแนนที่น่าจะเป็นคือเจ็ดหมื่นฮะไม่ถึงสามหมื่นยังได้ต่อไปใครอยากเป็นสสตั้งพรรคขึ้นมาฮะจะ ไ, ได้เป็นใครเลือกเท่าไหร่ก็ได้เป็นฮะ อุ้ยอะไรเนี่ยไปไหนเน่ยพูดถึงเสียงข้างน้อยทีเดียวไปยาวเลยเอาาแล้วมาแล้ ว, ลวเอาแล้วคุณไปโยนให้เขาทำไมอยู่ๆไปโยนให้เขาเอาเถอะคุณจะพูดเองก็พูดได้เออก็จริงๆเราก็แนวทางเดียวกันนะครับคือเราเริ่มรู้ว่ามีวิธีสกัดกัน้นไม่ให้เราง่วงหรือเรา ทุกมากขึ้นนะครับโดยการเจริญสติกลับมาครับให้มันเร็วขึ้ น, นครับความรู้สึกมันก็เบาบางไปครับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับสังเกตไหมว่าไอ้ตอนที่มันมีวิหารธรรมเนี่ยคือตอนที่เรากลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแต่อีตอนที่20นทีแรกอะ20นทีแรกตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็อาการง่วงก็มาก็พยายาม กำหนดให้มีอะไรกระตุ้นมาให้ให้ความง่วงมันเบาบางลงไปครับอกอกําหนดลมหายใจครับก็ใช้ได้เขาบอกไม่ไหให้กําหนดกรรมฐ า, านไม่ใช่หรือก็มันง่วงจนไม่ไหวครับเออกําหนดไปนิดนึง <c oughs> ก็ <c oughs> ดีขึ้นนิดนึงครับ <laughs> เอับได้ไหมมันมีกติกา ว, ว่าห้าม<ำ>ห้ามกําหนดกรรมฐ า, านใดๆใช่ไหมไอ้ยี่สิบนาทีแรกใช่หรือไม่แต่มันก็มี มีไหมใครที่มันไปลมหายใจเองมีไหมยกมือขึอ้นใครไปพุทธโธเองมีไหมใครเป็นประยุบคลองบ้างมีไหมมีใครไปไปอะไรก็ตามสังเกตดูไหมว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าเราเคยเราเคยฝึกเราเคยมีร่องรอยจําได้ไหมเมื่อเช้าอาจารย์พูดจําได้ไหมมันมีร่องรอยที่เราเคยฝึก ร่องรอยที่เราเคยมีมันก็เลยสามารถที่จะกลับไปตรงนั้นได้ง่ายขึ้นคือถ้าคนไม่มีร่องรอยเนี่ยอันตรายมากฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าเมื่อกี้ยี่สินาทีแรกมีใครแบบไม่ไปไหนเลยอยู่กับความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเมื่อไรจะให้ขยับมือเมื่อไรจะมันปวดนักหนาว ม, มีใครเป็นอย่างนี้ไหมถามจริงมีไหม น่ากลัวนะถ้าเกิดว่าไม่มีวิคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยพระใจมันวิ่งไปวิหารธรรมเองผ่านรวมหายใจเองอาจารย์ก็ไม่ว่าหรอกเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ามันมีอยู่แต่ถ้าว่าในเวลานั้นเนี่ยโอเคเราเกิดอาการห ง, งุดหงิดําคาญแล้วทีนี้ปรากฏว่าจะไปไหนก็ไปไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหน ใจมันไม่มีวิหารธรรมที่จะวิ่งไปเองในช่วงเวลาอย่างนั้นเนี่ยต้องฝึกแลละต้องฝึกแม้อาจารย์จะบอกว่าไม่ให้กาหนดกรรมฐานใดๆเนี่ยแต่ถ้าเราสังเกตดูแม้ขณะอาจารย์จะบอกว่าไม่ให้กาหนดวิียา ว, วิหารธรรมหรือกรรมกรรมกรรมฐานอะไรแต่สังเกตไหมว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันอยู่ๆก็วิ่งไปจับลมหายใจเองมีไหม เออไม่จับลมหายใจเองไปนั่นไปนี่เองอันเนี้ยคือสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้รู้ว่ามีไหมถ้ามีแปลว่าเราเคยฝึกฝนมาเราเคยมีวิหารธรรมแบบนี้มาใจเลยมันมันเลยวิ่งไปไปไปที่มันคุ้นเคยไปที่มันเคยฝึกฝนมาซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเพียงแต่อาจารย์ต้องการให้เห็นบทเรียนนี้ว่า ถ้าเรามีวิหารธรรมที่เคยฝึกฝนไว้มันจะเป็นผลดีกับเราอย่างมากในวันเวลาที่เราไม่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้หลายคนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ถ้าวันหนึ่งโยมใกล้ตายและโยมไม่สามารถยกมือสร้างจังหวะได้โยมจะทำยังไง น่าสนใจไหมตรงนี้ฮะทำไงดี <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกตัวมันไม่ได้เกิดแค่การยกมือสร้างจังหวะเมื่อใดก็ตามที่ขุดฝึกยกมือสร้างจังหวะจนกระทั่งเกิดความรู้สึกตัวที่มันสามารถมองเห็นกายเห็นใจ ในภาวะแห่งการมองเห็นกายเห็นใจมันไม่ได้อาศัยการรู้สึกการการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวกับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นกายความคิดกับทําให้เห็นจิตเพราะนั้นภาวะแห่งความรู้สึกตัวจริงๆคือภาวะที่มันเป็นภาวะผู้รู้ที่มันเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเนื้คิดไอตัวนี้ต่างหากที่มันสามารถจะทําให้เกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้น นั่นหมายความว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับกายแม้ลมหายใจจะเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะไปรู้กับลมหายใจแม้ร่างกายขยับส่วนใด ก, ก็ตามมันก็ไปรู้กับการขยับตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องอิงว่าต้องยกมือเท่านั้นเขา้าใจยางที่นี้มันสามารถที่จะมีภาวะแห่งการรู้กับกายรู้กับใจแล้วมันมีความไม่เข้าไปเป็นกับกายกับใจ ซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่เราต้องฝึกบ่อยๆแม้แต่คนที่ฝึกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องฝึกยกมือซ้าจังหวะหรอกเพราะบางทีคนที่ยกลมหายใจก็ก็คิดเหมือ น, น, นกันกับพระก็ถามเหมือนกันกับพระอาจารย์นีแ่แหละแ้วต่มันยกมือไม่ได้พระอาจารย์ถ้ายกมือไม่ได้มันก็คล้วงไปกับถ้าหายใจแล้วไม่ชัดละ่ะอย่าลืมว่าแม้ขณะคุณมีกําลังอยู่อย่างนี้ ไม่ปัวยเห็งแค่คนยังไม่รู้เลยว่าคุณหายใจอ้าวจริงไม่จริงนั่งฟังอาจารย์ไปฟังไปฟังมารู้ไหมว่าตัวเองหายใจอะ่ะไม่รู้นั่นไงแต่พอเมื่อกี้อาจารย์ให้คุณอยู่เฉยๆไม่มีไม่มีกรร ม, มาฐานแต่ทาไมามันกลับเป็นลมหายใจเองบางคนนั่งนั่งอยู่กระดิกนิ้วขึ้นมาเฉยเลย มีไหมนีกระด็กนิ้วบางทีกระพริบตาชาัดชัดเอาจริงไม่จริงใช่ปะเออเมื่อก่อนกําหนดอีกทีจะปวด้อยพริบตาไม่รู้เรื่องยกมือไม่รู้เรื่องก็นั่งเฉยๆ ก, กาลังทุกกําลังทุกกําลังทุกกระพริบตาปุ๊บอุ้ยชัดจังงงง่วงงอยู่ลืมตาขึ้นมาด้วยความตั้งใจปุ๊บสังเกตดูไหม มันวาบสว่างขึ้นทันทีเลยใช่หรือไม่ความง่วงหายทันทีเลยใช่ว่าแค่ลืมตาคุณดูสิทำไมมันรู้ชัดขนาดนั้นทำไมมันมาชัดขนาดนั้นความรู้สึกตัวทำไมมันชัดขนาดนั้นขึ้นมาได้อันนี้น่าสนใจไหมทำไมอยูอย่ๆมันวิ่งไปรู้วมหายใจชัดชัดเมื่อกี้ ชัดกว่าตอนฝึกอีกนั่งดูลมหายใจมาตั้งนานไม่เห็นชัดขนาดนี้เลยไอ้ตอนมันง่วงมันเปียมันง่วงมันมันปวดปวดมันเมื่อยมันอยู่ไปลมหายใจแล้วอู้ชัดชัดนั่งฝึกมาตั้งนานไม่เคยชัดขนาดนี้แต่พอมันกลับไปรู้เองเนี่ยมันกลับชัดมากเลยปพิมพ์ตาก็ชัดกระดิกนิ้วก็ชัดอนุนก็ชัดอันนี้ก็ชัดทำให้มันชัดล่ะ เพราะมันเริ่มจับวิหาระธรรมได้มันเริ่มจับวิหาระธรรมได้คือมันเริ่มจับได้ว่าพอรู้ลมหายใจมันรู้ตัวพอหายพอจับการกระพริบตาเกิดน้ำลายหรือยกมือหรืออะไรก็ตามหรือกายมันกระดิกหรือกายมันเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆมันกับจับได้มันชัดได้เพราะว่ามันจับวิหาระธรรมได้แล้วอันนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นความสำคัญมันจึงไม่ใช่ว่าเราต้องใกล้จะตายมันไม่มีความไม่สามารถยกมือได้จะทำไงถ้าคุณเกิดความวิตกกังวลอย่างนี้สิ่งที่คุณควรทำคือยังไงจ๊ะฝึกให้มากทำให้มันเป็นร่องรอยเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอยู่ๆมันวิ่งเป็นลมหายใจเองอยู่ๆมันไปพุทโธเอง อยู่ๆมันไปรับรู้กับการกระพริบตากระดิกนิ้วเองอกับกิริยาของกายที่ขยับเพียงเล็กน้อยมันก็ไปรับรู้ได้อย่างเนี้ยเข้าใจไหมที่มันเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ามันเริ่มชัดกับร่องรอยของตัวเองนี่แหละร่องรอยยิ่งเราทํามากเท่าไหร่เราฝึกมากเท่าไหร่ร่องรอยมันชัดขึ้นมากเท่านั้นภาวะผู้รู้ก็จะเด่นขึ้นเมื่อ น, นั้น ที่สําคัญนะ่ะยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ภาวะผู้รู้ที่เด่นขึ้นเรื่อยๆแล้วมันหมั่นสังเกตเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเห็นอาการของกายอย่างนั้นอย่างนี้เห็นอาการของใจอย่างนี้อย่างนี้ภาวะตัวนั้นนะ่ะที่มันเด่นขึ้นอย่างนั้นน่ะยิ่งเด่นขึ้นมากเท่าไหร่นะโอ้มันชัดมากขึ้นเท่าไหร่นะี่มันยิ่งมันยิ่งพาเราพ้นภัยมากขึ้นเท่านั้นนะมันมันจะไม่เข้าไปเป็นกับอาการ อาการที่มันจะเกิดได้ว่าจะเป็นเจ็บปวดเนี่ยในเวทนาเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นหรือธรมรมอารมณ์เกิดขึ้นมันกลายเป็นแค่รู้รู้แล้วจบไปรู้แล้วไม่เป็นรู้แล้วไม่เป็นรู้แล้วไม่เป็นรู้แล้วไม่เป็นมันจะยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นอันนี้มันเป็นเคล็ดเคลดสุดท้ายเคล็ดที่เราต้องทำให้มันมากฝึกให้มาก ที่จะเป็นผู้ดูให้ภาวะรู้มันรู้กับสภาวะที่ปรากฏบ่อยครั้งบ่อยครั้งวิหารแลรทมันชัดัดขึ้นร่องรอยมันจะชัดขึ้นยิ่งเรามมั่นฝึกมากเท่าไหร่นะให้เราเข้าใจตรงนี้ให้ดีที น, นี้มีอันหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกเอาพวกเราคือในขณะที่มันมีความคิด มีอารมณ์แล้วก็มีความปวดเมื่อยสังเกตไหมว่าเราไม่ค่อยเข้าไปเป็นกับมันเท่าไหร่ในครั้งที่สองนี้ใช่หรือไม่ถูกไหมมันจึงทำให้เรารู้สึกไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเกินไปการไม่เข้าไปเป็นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในสติปัฏฐานสูตรเนี่ย ท่านจะบอกว่ามันมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมใชม่จากตอนแรกมันมีแค่หนึ่งเดียวพอเราใส่การเจริญสติเข้าแบบแยกเป็นสองเป็นกายเคลื่อนไหวกับใจนึกคิดใช่หรือไม่กายแสดงออกในรูปอิริยาบถใจแสดงออกในรูปของความคิดถูกไหมจิตแสดงออกในรูปความคิดแล้วกายก็มีเวทนาแทรกออกมาเป็นระยะระยะใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นขอถามว่าเวทนากับกายมันอันเดียวกันไหมไม่ขณะนี้เวทนาหายไปแล้วแต่กายยังอยู่ใช่หรือเปล่าวันเห็นว่าเวทนามันมาหายมาหายมาหายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันออกมาได้มันกลับเข้าไปหายไปมันออกมาแสดงตัวแล้วก็มันก็หายไปออกมาแสดงตัวแล้วก็หายไปมันอาศัยปรากฏขึ้นกับกายแต่ไม่ใช่กายแล้วตัวของมันเองก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับในตัวของมัน ตรงนี้มีเวทนาเสร็จแล้วจิตที่มันไม่มีฐานมันก็มีธรรมอารมแทรกออกมาใช่หรือไม่คือความง่วงเหงาหอนอนถูกไหม เ, เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากหนึ่งเป็นสองกายกับจิตกายมีเวทนาจิตมีธรรมอารมตรัวลงมีกี่อย่าง 4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมใช่ไ้มความสำคัญมันอยู่ตรงนี้เออจอขึ้นก็ได้มาจริงหลายหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเคยดูมาแล้วก็อยากอยากย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในเคล็ตของมัน อาพวกเราดูเดีย๋ยวเพิ่งจดเราจะทิ้งให้จดฟังอธิบายก่อน <Okay. S 1> เห็นไหมธรรมธาตุก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นในโลกความไม่รู้ความหลงอวิชชาความไม่รู้ก็เ ข, เข้ามายึดครองธรรมธาตุก้อนนั้นแล้วสําคัญหมายว่าเป็นตัวเรานี่คือความเป็นสักยะทิฏฐิเข้าใจไหมสังโยชน์ตัวที่หนึ่งตัวนี้ยมันครอบงำสัตว์เอาไว้คือความหลง อาจารย์บอกว่ามีขันขันเดียวคือกูนี่แหละเนี่ยขันขันเดียวเต็มไปหมดเลยไม่มีแบ่งเลยกายจิตรูปนามเนี่กูไม่รู้จักรู้แต่กูอย่างเดียวเนี่ยคือขันขันเดียวเข้าใจไหมส่วนขันสี่ขันคือกายเวทนาจิตธรรมส่วนขันห้าขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอไอไอสัตว์ที่มันมีตัวเดียวมีมีตัวกูขันเดียวตัวกูสี่ขันตัวกูห้าขันเนี่ยถ้ามันยังไม่เข้าใจคือมันต้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตลอดเข้าใจไหมเออ เอาดูต่อเราใส่การเจริญสติเข้าไปปุบ๊บมันก็แตกออกเป็นสองตัวคือกายที่แสดงออกในรูปวิริยบุคือการเคลื่อนไหวแล้วก็นิ่งขึ้นหยุดเคลื่อนหยุดใช่หรือไม่แล้วก็จิตที่แสดงออกในรูปของความคิดเห็นนะที่อาจารย์พยายามเน้นย้ำให้เราเห็นมาตลอดใช่หรือไม่เสร็จแล้วพอมาบ่ายนี้เราเอากายมานั่งนิ่ง ให้มันนั่งนิ่งๆปุ๊บนัง่งนานๆก็มีบางอย่างแทรกออกมาคือเวทนามีไหมอืมให้เราเข้าใจดีๆนะจะได้เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานแบบง่ายๆไปเรียนหนังสือมาตั้งนานบางคนโยมเรียนมาสิบปีแล้วอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องเลยฟังอาจารย์ชั่วโมงครึ่งเข้าใจเลยบอกเออเดี๋ยวจะเข้าใจหนักกว่านี้อีเมื่อเรียนปฏิจจสมุป บ, บาทโอ้ยปฏิจจุตว์โยมเรียนมาสิบปีเหมือนกันเดี๋ยวเข้าใจภายในชั่วโมงครึ่งเหมือนกัน ถ้ไม่ยอม10ทีไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็ไปเรียนหนังสือไม่ได้เรียนไม่เรียนจากการสังเกตตัวเองเพราะฉะั้นถามว่าไอ้กายที่มันนั่งนิ่งๆอยู่มีไหมมีไห ม, มแล้วก็มีความปวดเมื่อยปรากฏออกมามีไหมเออเราเรียกมั น, มนว่าเวทนากายเนี่ยมันไม่รู้สึกไอ้ตัวที่รู้สึกคือเวทนาเขาจะยังเขาจึงบอกว่ากายประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเพราะดินน้ำไฟลมมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้สึก ดินน้ำไฟลมมันไม่รู้สึกนะเพราะไอ้ไกลไกที่ทําความรู้สึกรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนหนาวปวดเมื่อยนู่นนี่นี่นั่นมันคือตัวเวทนาทํางานคือขันชื่อว่าเวทนาทํางานไฟมันไม่รู้สึกดินไม่รู้สึกน้ำไม่รู้สึกลมมันไม่รู้สึกท่านถึงเรียกว่าเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่ากายเนี่ยมันเป็นก้อน ก้อนทุกมันเป็นวัตถุบางอย่างเท่านั้นส่วนไอ้ตัวที่มันรู้สึกรู้สึกเนี่ยคือการทำงานของเวทนาที่แทรกอยู่กับกายจนเราแยกไม่ออกเราดึกว่ามันเป็นกายใช่หรือไม่ปวดขึ้นมาปับ๊บโอ้ยกายปวดนะกายปวดไม่เท่าไหร่กูปวดอันนี้หนักกว่ากายปวด เขามองว่ากายปวดยังมองเป็นกายเนียยังแยกกายแยกจิตอยู่เอ้ยกายมันปวดนะฮเข้าใจว่าแต่ถ้ามองครูปวดนี่คือตัวแรกเลยก้อนกลมๆตัวเราเนี่ยสกยาทิฏฐิเขายังแต่ถ้ามองว่าอ๋อกายอ๋อนี่เวทานามันทำงานเนี่ยอ๋อเวทานามันออกมาทำงานเนี่ยถ้าอย่างนี้เพระั้นกายจะแสดงออกในรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือโยบดเป็นน่นนี่ ท่านั้นท่านี้นีนน่อันเนี้ยกายแต่ความรู้สึกที่มันเกิดทั้งนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันเนี้ยคือเวทนามาทํางานมีไหมเวทนามันไม่ทํางานมีแต่กายมีไหมมีป่ะมีตอนไหน <c oughs> มีเวลาเราป่วยมีคนป่วยเป็นเบาหวาน อุ้ยคนที่โป้เท้าแก่เนี่ยขอแม่เท้าแก่เนี่ยมันแข็งเป๊กเลยเดย้แล้วมันก็แตกแตกเหมือนตอไม้แตกแตกอะ่ะตอไม้แตกอะ่ะโอเคไหมตอไม้มันเกา่ามันแตกอะ่ะแล้วมันก็แข็งน้ําน้ําเหลืองมันก็ไหลเด้เด้อนอาจารย์ก็เลยไปจับดูเจ็บไหมไม่เจ็บเข้าใจไหม ไม่เจ็บซึ่งโอกาสต่อไปคืออะไรเพราะฉะนั้นเวทานามันมีคุณตรงที่มันจะเตือนภัยให้เราเตือนให้รู้ว่ามีภัยมาแล้วเหยียบไปมันไม่ร้อนเนี่ยเหยียบไฟแล้วมันไม่ร้อนเนี่ยเข้าใจไหมเหยียบหนามแล้วมันไม่เจ็บเนี่ยอันตรายไหมเออนั่นแหละ คนเป็นโรคเบาหวานเขาจึงบอกระวังเวลาเดินอย่าให้มันไปชนโน่นชนนี่เพราะบางทีมันไม่รู้สึกเข้าใจไหม <c oughs> เพราะว่าตัว น, นั้นบริเวณตรง น, นั้นเวทนามันเริ่มไม่ทํางานอ่ะดูต่อดูต่อทีนี้เรามาดูดูขณะที่กายมีเวทนาเป็นตัวแทรกออกมาทํางานเราก็มีจิตพอมันไม่มีฐานมันก็ฟูเป็นความคิดมีไหม คิดไปเรื่อยๆสักพักก็มีบางอย่างคือธรรมารมคือนิวรณธรรมปรากฏออกมาคือความว่วงเหงาหอนมีไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มีกี่อย่างสี่อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เป็นองค์ประกอบชีวิตเราธรรมารมมีเยอะไหมเยอะเยอะมาก บางคนบอกว่าน้องมีอะไรบ้างอาจารย์ไปเปิดอ่านเอาไปหาอ่านเอาถ้าอ่านทฤษฎีไปหาอ่านเอ า, า, อ า, า, อ า, เ, อาเพราะความสําคัญของอาจารย์ไม่ได้สอนให้คุณเข้าใจในทฤษฎีแต่สอนให้คุณสังเกตตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้คุณเห็นก็คือองค์ประกอบชีวิตที่มันประกอบถึงเนี้ยสี่อย่างนี้เนี่ยมีขันสี่ขัน ปัญหาก็คือเมื่อไอขันทั้งสี่เนี่ยเนี่ยอประกอบสี่อย่างเนี่ยมันทํางานทําหน้าที่ของมันปัญหาก็คือพอมันทํางานทําหน้าที่ของมันเราก็มักจะเผลอเข้าไปยินดียินร้ายกับอาการของมันเมื่อมันแสดงอาการออกมา ตอนนี้พวกเราสังเกตตัวเองนะเรามีความรู้สึกว่ากายนี้เป็นของเราไหมจริงหรอเมื่อกี้นั่งฟังอาจารย์มาั้นาคุณไม่ได้สนใจมันเลยอ้าจริงไม่จริงไม่ได้พูดเล่นนะคุณคุณคุณต้องไวต่อการที่อาจารย์ชีนะ้นะเมื่อกี้คุณตอบผ้า อ, อาจารย์เนี่ยคุณตอบผ่านความคิดนะคุณตอบผ่านความคิดที่ถูกฝังหัวว่าว่า เรามีความยึดมั่นถือมั่นในกายเป็นของเราเพราะเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าที่นั่งฟังอาจารย์อยู่เมื่อกี้คุณมีความรู้สึกว่ากายเป็นของคุณไหมคุณไม่ได้สนใจมันได้สำในห่วงเวลานั้นคุณไม่ได้สนใจมันเลยเพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นในกายเนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พูดเล่นพูดจริงตอนเมื่อใดก็ตามมันมองกระจกปับ๊บเร้เห็นตีนกาแต่เจมีเข้าไปจับทันที ee, ตีนกาเกิดที่หน้ากูได้ไงนั่นหน้ากูมาแล้วเห็นไหมเอาจริงๆจริงๆวันทั้งวันเราไม่ได้สนใจมันเลยสามบางทีอะ บางครั้งบางคราวเท่านั้นที่เราจะแวบไปสนใจมันเวลามันเกิดอาการใดขึ้นมาเท่านั้นเองอถ้ามันปกติธรรมดาโน่นนี่ไม่มีอะไรนะพอเริ่มปวดท้องขึ้นมาปับ๊บอ่ะจริงไม่จริงพอปวดท้องขึ้นมาปับ๊บเอ๊ะท้องเราเป็นอะไรเห็นไหมใช่ปะมันเพิ่งจะเอะใจอตอนท้องเป็นอะไรนี่แหละ แต่วันทั้งว <uh, ันมันไม่ได้สนใจเลยอืมดูดีๆนะเดินล่องเพลงอยู่ในห้องนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะเตะก้นเตะเนี้ยเตะขอบเตียงปากออืเห็นไหมเราเครืของความสนใจอู้ยเป็นอะไรไม่วะอุ้ยเป็นเลือดออกไหมเนี่ยเป็นน้ำเป็นนี่ ความวิตกกังวลก็เริ่มเกิดขึ้นจากตรงนั้นแต่อีตอนร้องเพลงนู้นแน่นู้นแน่นู้นแน่สนใจไหมไม่อินอยู่ในเพลงฮะจมอยู่ในเพลงจมอยู่ในความรู้สึกที่กําลังเสพความรู้สึกกับเพลงอินอยู่ในความคิดมันไม่ได้สนใจกายเลยเตะภากเท่นั้นแหละเจ็บปุ๊บเป็นเลือดออกไม่ว่านู่นนี่ไม่ว่าเจ็บเลยใช่ไหมเห็นไหม คุณสังเกตนะความพูดของอาจารย์เพื่อต้องการชี้บางอย่างให้คุณดูดีๆเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆนะเนี่ยพระองค์จึงสอนให้เราเห็นว่าเธอดูกายนะให้เรามาสนใจที่จะดูกายและเห็นกายในกายกายในกายคืออะไรเธอจงเห็นกายในกายเคยได้ยินไหมจงมีสติเห็นกายในกาย เห็นตับไตใสผงใช่ไหมโดยเห็นกายตัวใสๆอีกตัวหนึ่งี่แทรกอยู่ในกายนี้ไหมไม่ใช่ให้เห็นกายในกายก็คืออันดับแรกคือเห็นอาการที่ใจมันเผลอสร้างกายว่าเป็นเราเป็นของเราสร้างความรู้สึกว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา ถ้าเห็นทันตัวนี้ปุ๊บมันจะถอนความรู้สึกตัวนี้ทิ้งแล้วมันจะเห็นกายที่จะแปรปรวนไปตามกฎพัตไตรักอันนี้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติแห่งกายสองระดับเมื่อกี้อาจารย์ถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ากายเป็นเราทางไหนทางใดหรอก แต่พอมันเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บเท่านั้นนะ่ใจถึงวิ่งเข้าไปยุดเอาจริงเคยสนใจมันบ้างบางทีมันหิวยังไม่กินเลยไม่ได้ไม่ได้ยังงานยุ่งอยู่ขอเคลียร์งานให้จบก่อนมีไหมเคยสนใจมันไหมล่ะเห็นไหมพันความรู้สึกว่ากายเป็นของเราเป็นตัวเราเนี่ย บางทีเนี่ยดูสังเกตตัวเองดีๆเฮ้ยมันไม่ได้ใส่ใจเลยเนาะแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นกับกายปั๊บเท่านั้นะ่ะมันเข้าไปยึดแล้วก็เกิดความพอใจความไม่พอใจกับอาการที่มันเกิดกับกายนั้นทาไมมันเกิดอาการตัวนั้นพอเรามองเข้าไปอีกเรหนึงว่าอ๋อเพราะมันมีความเผอยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็น ของเราสร้างความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราท่านจึงให้ถอนตรงนี้ออกเสียพอถอนความพอใจและความไม่พอใจตรงนี้ได้ปั๊บมันจึงเห็นกายนั้นมีความเสื่อมไปตามสภาพของมั น, ปนไปตามกฎพระไตรลักษณ์อ๋อนี่เองนี่คือหลักการ ไม่มีใครมากอดกลุ่มไว้หรอว่ากายนี้ของฉันกายนี้ของฉันให้มีสังเกตดูดีๆอะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเวลาเรารู้สึกว่ามันมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นใช่หรือไม่แต่ถ้ามันไม่มีอาการอะไรนะไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นกันหรอกับกายนะสังเกตดูไมแล้วเราเฉยๆกับมันนะวันทั้งวันไม่สนใจมันด้วยซ้ำใช่หรือไม่ จะไม่ได้ใส่ใจมันด้วยซ้ำบางทีมีห่วงระยะเวลานานพอสมควรด้วยซ้บางครั้งที่เราไม่ได้สนใจมันเลยใช่ไหมมีไหมดูดีๆเนาะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดเวลามันจะรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราตอนไหนตอนที่มีอาการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับกายนี่แหละเราจึงรู้สึกว่าเฮ้ยกายกาลังเป็นนั่นกายกาลังเป็นนี่ แล้วเราไม่ได้มองกายด้วยนะเป็นเป็นกูกาลังเป็นนั่นเป็นนี่เนะี่ยกายกูกูกาลังเป็นนั่นเป็นนี่นี่แหละเข้าใจยังเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราที่มันเกิดขึ้นในใจซ้อนด้วยความยึดมั่นถือมั่นกับไอ้ก้อนเนี้ยเนี่ยท่านถึงบอกให้เห็นมันเธอจึงมีสติที่จะเห็นมันเห็นกายในกาย บางคนบอกให้ไปเห็นเป็นดินน้ำไฟลมอย่างเงี้ยบางคนบอกให้ไปเห็นเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมขนเล็บฟันหนังตับม้ามหัวใจปอดคิดไม่ออกถ้าไม่เคยเห็นภาพที่เขาเอามาโชว์กัน ม, มันใช้ความคิดเข้าไปเกี่ยวข้อแต่เมื่อเราเราเข้าใจว่าอ๋อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเราจัดการมันก่อน ด้วยการถอนความพอใจและความไม่พอใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยจากนั้นเราจะเห็นความจริงว่าพอเราหมั่นสังเกตดูกายบ่อยๆกรรมฐานที่เฝ้าเรียนรู้กับการเคลื่อนไหวของกายบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปสังเกตเห็นกายแสดงความเป็นทุกข์เป็นไปตามทุกขังคือกายทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันให้รายละเอียดดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะค่อยๆ อ, อธิบายทีละตัวให้ชัดขึ้นในตอนเย็นเนา ะ, ะต้องการชี้ให้เห็นตรงนี้ก่อนว่าพอเมื่อใดก็ตามมีอาการใดเกิดขึ้นกับกายปับ๊บมันก็จะเกิดความใจเข้าไปยุ่งมั่นถือมั่นแล้วเกิดความพอใจความไม่พอใจในกายเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่พระเจ้าจึงบอกว่าให้เธอเห็นให้ทันแล้ว ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกซะไอ้ตรงกายเนี่ยเรายังมองไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวใครว่าแต่ไอ้ตัวเวทนาเนี่ยเห็นชัดใช่หรือวะตอนที่ขาวอามันปวดอะ่ะทำได้ไหมตอนมีอาการมีอาการปวดเกิดขึ้นกับกายใจวิ่งเข้าไปยึดในอาการปวดนั้น แล้วก็เกิดอาการปรุงแต่งความพอใจความไม่พอใจซ้อนทับลงไปกับอาการปวดที่เกิดพราอาการปวดที่เกิดคือเวทนาขันมันมาทำงานทำหน้าที่แต่ไอ้ความพอใจความไม่พอใจที่ใจมันเข้าไปยึดตรงนั้นมันเลยปรุงให้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ใจซ้อนทับทุกข์กายหรืออาการปวดของกายที่มีอยู่เดิม ว่าล้วนจึงมีอาการเหมือนเพิ่มมากขึ้นแต่พออาจารย์ให้ยกมือสร้างจังหวะสังเกตดูไหมเรากับรู้สึกบรรเทาลงความปวดมันน้อยลงใช่ไหมความปวดไม่ได้น้อยลงแต่ใจที่เป็นทุกข์กับอาการปวดมันหายไปเพราะใจไปอยู่ที่ฐานใจไปอยู่ที่ฐานเลยหยุดปรุงแต่งมันก็เลยเหลือแต่เวทนาล้วน ที่ท่านบอกให้เห็นเวทนาในเวทนาก็คือเห็นไอ้นี่แหละใจที่มันหลงไปยึดสร้างเวทนาปลอมๆสร้างความรู้สึกว่าเวทนาเป็นเราแล้วก็สร้างความทุกข์ใจถมทับลงไปในเวทนาเดิมเพราะสิ่งนี้มันจะจัดการได้ด้วยการถอนความพอใจและความไม่พอใจกลับมาที่ความรู้สึกตัวได้ เพราะเวลาถอนกับมาความรู้สึกตัวปุ๊บเวทนาก็จะมีแต่เป็นสัก์กัเวทนาไม่ได้มีใจที่ไปเป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นอาการที่ใจมันไปเป็นทุกขกับเวทนาเราเรียกอาการนั้นว่าอุปาทานเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่ใจไปยึดเอาเวทนาเมื่อกี้จึงเรียกว่าทุกขอุปาทาน เมื่อเช้าเราสวดแล้วเวทนูปานขันธาทุกขาเวทนาบวกอุปาทานเวทนูปานขันธาทุกขาทุกอันเกิดขึ้นจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาขันเนี่ยแปลย้อนหลังมา ทุกันเกิดขึ้นจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาคันเราเรียกทุกแบบนี้ว่าทุก์อุปาทานเพราะฉะนั้นพอเราให้มันกลับมารู้สึกตัวปุ๊บมันถอนจากการเข้าไปยึดมันก็หยุดปรุงแต่งไปด้วยในตัวทุกนั้นจึงดับลงเพราะฉะนั้นใจที่มันเข้าไปยึด เวทนาฟังนะใจที่มันเข้าไปยึดเวทนาแล้วปรุงแต่งตัวเองให้กลายเป็นทุกข์เราเรียกอาการที่มันเข้าไปยึดและปรุงแต่งนี้เรียกว่าสมุทัยเพราันผลจากการที่มันเข้าไปยึดแล้วปรุงแต่งจึงกลายเป็นทุกข์เราเรียกทุกข์นี้ว่าทุกขอุปาทานหรือทุกขอริยสัตว์ จากนั้นพอใจมันถอนออกกลับมารู้สึกตัวมันหยุดการปรุงแต่งตรงนี้เราเรียกว่ามัคคือวิธีการเพราะฉะนั้นเมื่อมัคบันดํำเนินปับ๊บเกิดอะไรขึ้นจ๊าทุกมันก็ดับโดยอัตโนมัติขึ้นทันทีก็คือนิโรธ เห็นไหมเพราะเราจัดการที่เหตุคือถอนใจที่มันเข้าไปยึดออกซะทุกข์กดับนีโลดก็ปากฏมันก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ให้เราเห็นตัวเนี้ยแล้วมันถอนความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันจึงเป็นวิธีการในการซ้อมบ่อยๆจะทำให้เราเห็ น, นกลไกการทำงานของใจที่เข้าไปยึด แล้วปรุงแต่งยัเป็นทุกข์ไปยึดแล้วปรุงแต่งยัเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้วุ่นวายยึดกายเป็นเป็นเรามาตั้งหน้านหรอกยู่ตลอดเวลาหรอกแต่พอมันไปยึดอาการของกายอาจารย์จึงบอกว่าพอกายมีอาการใดปรากฏปุ๊บมันก็เลยเข้าไปยึดพอใจเข้าไปยึดมันก็เลยเกิดทุกข์โอปาทานกับรู ป, ปขันรูปภูปาทานขันธาทุกขะ สวดหรือยังได้สวดไหมเมื่อเช้าจะบอกว่าไม่สวดนะบทสังเวคพริกิตนะปาถาเป็นบทที่พระอาจารย์เน้นย้ามากที่สุดว่าต้องสวดใครบอกว่าสวดบทนั้นศักดิ์สิทธิ์บทนี้ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์บอกไม่เชื่อโอเชื่ออยู่บทเดียวบทนี้แหละคือบทัดสิทธิ์ที่สุดเพราะบทนี้คือบทคัดย่อคําสอนพระพุทธเจ้าทั้ง8ปดหมื่สีพันพระธรรมขันธ์ลงมาไว้ในบท นี่บทสังเวคะปริกิตนปาปาถาเนี่ยนี่คือบทคัดยอ่อพุทธศาสนาทั้งตู้ทั้งพระไตรปิฎกรล้บทคัดยอ่อใช่ไหมบทคัดยอ่อนี่แหละเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอกายเกิดอาการใดใจเข้าไปยึดมันก็ปรุงแต่งตัวเองเป็นทุกข์ถ้าถอนทุกขุปทานก็ดับ อาการของกายมันดับไหมดับไม่ดับม็นเรื่องของมันแต่ทุกข์อดับทุกข์ใจอดับเข้าใจยังแค่เนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าอาการนั้นมันจะดับหรือไม่ดับอาการนั้นจะหายหรือไม่หายเหมือนเวลาเราป่วยเป็นไข้อะป่วยไม่สบายอะเวลาเราป่วยเราไม่สบายปุ๊บนั่นแหละเราจะเกิดอาการเป็นห่วงกายขึ้นมายึดมั่นถือมั่นกับกายว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมใช่ปะ พอมันยึดมั่นถือมันว่ากายนี้เป็นของเราปั๊บมันก็เกิดอาการเป็นทุกข์อุปาทานกับรู ป, ปรขันธ์นี้ว่ามันกําลังนั่นนนี่นีน่นเขาจะเป็นนั่นเป็นนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใจมันเข้าไปยึดอย่างนี้ปรุงอย่างนี้ให้ถอนออกปุ๊บเนี่ยอริยสัจทํางานเห็นไหมเนี่ยมุไทยเข้าไปปั๊บเห็นไหมเกิดเป็นทุกข์มรรคทางานปุ๊บ นีโลดปรากฏข้าใจย่างเห็นไหเพราะฉะนั้นทุกใจอ่ะมันสามารถจัดการได้เลยแต่อาการของกายอ่ะมันหายทันทีไหมพอทุกใจ อ, ออกไม่คนใช้เวลาเป็นหวัดก็ต้องกินยาใช้หรือไม่เป็นหวัดก็ต้องกินยาไปโ น, น่นนี่ต้องรักษามันคือเรื่องการรักษาทุกกายอันนั้นต้องใช้เวลาต้องใช้อุปกรณ์หนึ่งสองสี่ต้องใช้คนหนึ่งสอสามสีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ทุกใจอ่ะมันสามารถจัดการได้ทันทีเมื่อคุณถอนความพอใจและความไม่พอใจยุติการปรุงแต่งลงันปั๊บเนี่ยทุกใจดับทันทีเข้าใจอย่างแคนี้โอเคเนาะเวทนาเกิดอธิบายไปแล้วเนาะเนี่ยเวทนาเห็นชัดไหมที่จะพูดเรื่องเวทนาชัดไหม เ, เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการตัวเนี้ยมันทำให้เราซ้อมเห็นอะไร ถ้าเราเห็นมันบ่อยเห็นการทำงานของอะไรอริยสัจ ส, สี่เลยนะจ้าแล้วที่สำคัญนะพอมันเห็นอย่างนี้เป็นนะต่อไปมันจะเห็นนะจิตที่มันคอยสารแน่ไปทุกเรื่องทำเป็นหนวดปลาหมึกยื่นไปจับนน่นยืน่นโห้ยนี่เองที่บอกจิตมันพอมีจะมีอุปทานกันเรื่องนั้ง่นี้ใช่จริงว่ะวินาท่านท่านบอกว่าพระอระหันต์ทั้งหลายคือผู้ถอนอุปทานทั้งปวง คือจิตของท่านไม่ซัดสายที่จะไปไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกแล้วเข้าใจมอืมนี่แหละพราะท่านเห็นความจริงตรงนี้แหละเพราะท่านจึงไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะจิตมันไม่ไปยึดมั่นถือมันกับกับอะไรอีกนี่เองจริงจริงพอเราสังเกตเห็นนี้บ่อยๆนะมันจะเห็นนะโอ้ยนะมีฝรั่งคนหนึ่งมาคุยกับอาจารย์อาจารย์รู้จักปลาหมึกไหมรู้จัก ปลาหมึกตัวหนึ่งมันอยู่เฉยๆนะปลาหนกตัวหนึ่งอยู่เฉยๆอีกปลาหมึกตัวหนึ่งเนี่ยเียวคอยยื่นออนหนวดไปหยิบอันนั้นมาเดี๋ยวก็ยื่นออนหนวดไปหยิบอันนั้นมาไปหยิบนี้มาคุณคิดว่าปลาหมึกตัวไหนมันทุกกว่ากัน <c oughs> ปลาหมึกที่คอยหยิบนู้นหยิบนี่ครับอืมแล้วปลาหนุกตัวไหนไม่ทุกปลาหมึกเฉยๆครับนั่นแหละ ใจถ้ามันเฉยๆแบบนี้ได้มันไม่มันเป็นปลาหมึกยืดไปยืดยืดนุ่นยืดนี่นะใจมันไม่ทุกอยู่อย่างเนี้แให้เข้าใจอย่างเนี้ยเข้าใจไหมคิดภาพออกไหมเพราะนั้นปลาหมึกที่มันเฉยๆมันไม่ยืดไปยึดๆๆนุ่นยืดนี่ใช่ไหมมันก็กลายเป็นปลาหมึกที่ยังเป็นปลาหมึกแต่ไม่ทุกแต่ปลาหมึกที่ไปยืดเอานุนน่น น, นี่นี่เนามันแบกเอาทุกอย่างเข้าใจป่ะจากพักไอ้ของที่มันยืดมาก็ะับมันตายเอง พราไอ้เส้นสีแดงก็คืออาการหนวดปลาหมึกยืดออกไปไอ้วงกลมสีแดงคือมันเหนี่ยวลังเหนี่ยวลังรัดเอาไว้แล้วดึงก็หาตัวข้าใจยังเห็นเนี่ยแบกรับเป็นทุกขเลยอ่ะดูต่อจิตความคิดที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมมีไหมใจที่มันเผยเข้าไปยืด แล้วก็สแสดงความพอใจไม่พอใจในความคิดนั้นมีไหมเพราะนั้นพระองค์จึงบอกให้เราเห็นแล้วถอนความพอใจและความไม่พอใจออกซะเราก็จะเห็นแค่ความคิดมันเกิดแล้วก็หายไปเกิดแทนไปเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เห็นการทํางานของสัญญาการํางานของสังขารในวันที่พระ อ, อาจารย์ป่วยจําได้ไหมที่ว่าท้องเสียแล้วก็ข้อมูล หอาทิตย์ที่ได้ยินจากหมอจากพยาบาลจากคนโน้นคนนี้ส่งข้อมูลให้เนี่ยมันหลั่งไหลเข้ามาหมดใช่ไหมแต่เราเห็นมันเพียงแค่ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นเลือดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ถ้าคนไม่มีวิหารธรรมขึ้นมาเมื่อไหร่กูยึดเมื่อนั้นแบกทุกเรื่องอีกเป็นหนวดปลาหมึกเป็นหนวดปลาหมึกยื่นไปอีกละเห็นไหม พอยืนไปก็ปรุงแต่งเป็นทุกข์พระองค์ยังสอนเราเห็นทันความพอใจความไม่พอใจเนี่ยแล้วก็ถอนออกเสียนั่นจึงไม่แปลกไงว่าในขณะที่คุณเจอความคิดความง่วงเจอความปวดเมื่อยแต่พออาจารย์ให้คุณยกมือสร้างจังหวะพับคุณกลับรู้สึกว่ามันมันเบาลงใช่หรือไม่คุณไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น แต่สิ่งเหล่านั้นมีไหมทำไมสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่มันเป็นธรรมชาติของมันที่มันต้องทำงานทำหน้าที่ของมันแต่ไม่มีเราเนี่ยไม่มีเราเข้าไปยุดมั่นถือมั่นกับมันใจไม่ได้ไปแบกรับเอาเรื่องราวเหล่านั้นใจไม่ได้ไปแบบรับอาอาการปวดใจไม่ได้ไปแบกรับเอาอาการความคิดใจไม่ได้ไแบกรับเอาอาการธรรมารมที่ทำงาน เพาะใจมันอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วมันก็เห็นสิ่งนั้นว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิบนาทีต่อหายเห็นไหมเพนั้นยี่สิบนาทีแรกคุณเจอเจอธรรมาชาติสี่กองแล้วก็เจอเนี่ยไอ้ตัวยุดในวงกลมสีแดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิบนาทีต่อมาอาจารย์จึงให้คุณเอาการเจเริญสติใส่เข้าไปเพื่อ ถอนความพอใจและความไม่พอใจเนี่ยเข้าใจไหมถอนใจกลับคืนมานที่ความรู้สึกตัวฝึกอย่างนี้บ่อยๆเห็นมันออกไปยึดถอนมันกลับมาเห็นมันออกไปยึดเป็นทุกข์ถอนกลับมาได้ทุกข์ดับเห็นออกไปยึดเป็นทุกข์ถอนกลับมาได้ทุกข์ดับเห็นมันออกไปยึดเป็นทุกข์ถอนกลับมาได้ทุกข์ดับฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสุดท้ายมันก็ดับไม่เหลือ เพรความเข้าใจที่ไม่เห็นชัดแล้วมันก็เลยไม่ต้องไปเป็นทุกข์อีกต่อไปต่อให้สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ก็าตามเห็นไหมแต่เมื่อใดก็ตามเผลออีกโผลมาครบเลยรู้ทันอีกดับอีก <c oughs> โอเคไหมเข้าใจไหมเมื่อกี้ว่าทําไมเราถึงทุกข์กับมันน้อยลงเข้าใจแล้วเนาะ ท, ทั้งทั้งที่มันยังมีอยู่นะ แล้วเคยสังเกตไหมไอตอนที่พระอาจารย์ตีระครังแป้งเนี่ย <c oughs> เห็นไหมว่ามันดีใจ <c oughs> ทั้งๆที่ขายังปวดนั่นแปลว่ามันเลิกยึดเอาขาไงมันเลิกยึดเอาความปวดมันเลิกยึดเวทนาไงแต่มันเปลี่ยนไปยึดเอาอะไรรู้ไหมไปเเสียงระครังซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาสัญญาจําได้ว่าเสียงระครัง <c oughs> หมายรู้ว่าเลิกแล้วเว้ย เข้าใจยังเสียงละคังจําได้ไหมเสียงละคังแต่หมายรู้ว่าเลิกแล้วมันก็เลยไปดีใจได้เลิกแล้วเห็นไหมใช่ไหมถ้าอาจารย์ตีละคังใหม่ตอนนี้ทุกเลยเพราะวันใหมายรู้ใหม่ว่าเอาอีกแล้ว เสียงละคางอันเดียวกันแต่ตีความหมายคนละอย่างเท่านั้นส่งผลส่งผลต่างทันทีเลย น, นี่ไงเห็นไหมเพราะมันไปยึดมั่นสําคัญหมายไปยึดมั่นสําคัญหมายนะเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะเป็นตัวเป็นตนกับเรื่องราวหล่านั้นเห็นไหม แค่เสียงละคังอันเดียวแล้วมันตีความหมายคนละอย่างมันยังสุขยังทุกต่างกันเลยหน้าคนคนเดียวมันยิ้มให้กับเราอีกวันหนึ่งมาทำหน้าเบ้ใส่เราอะไรความรู้สึกเราต่างละใช่หรือไม่วันหนึ่งปกติไอ้เพื่อนคนนี้มันยิ้มให้เราตลอดเจอหน้าเรามันก็ยิ้ม มีวันนี้มันทำหน้าแย่ๆใส่เราแล้วมันไม่พูดไม่จาจากที่เมื่อก่อนมันพูดแบบเจอหน้าก็คุยดีๆยิ้มพูดดีๆวันนี้มันเจอหน้าเราแล้วมันแบบยิ้มแย่ๆแล้วก็เดินจากไปรู้สึกยังไงทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่ไม่เห็นพูดกับเราเลยไม่น้อยกับเราแต่ ถ้าเผอิญว่าเราเคยไปนินธามันความเป็นวัวสัตว์หลังวะจะเกิดขึ้นกับเราเฮ้ยหรือมันรู้ว่าเรานินธามันวะแล้าเราก็จะเริ่มทุกข์ใจใช่ไหมเราก็อยู่ตกนรกตกนรกด้วยพฤติกรรมของเราเองเนี่ยเห็นยัง ทำบาปมันตกนรกแบบนี้แหละมันทุกพฤติกรรมนั้นทั้งวันเอ้ยมันรู้ว่าเรานินทามันวะวันนี้มันเลยยิ้มแย่ๆแบบเหมือนมันไม่พอใจอะจนสุดท้ายเจอหน้ามันจริงๆเราก็เลยถามมันนี่เธอเป็นอะไรหรอทำไมยิ้มแย่ๆใส่ฉันโอ้ฉันปวดฟันมันบอกมันปวดฟันมันก็เลยยิ้มได้แค่นั้น แล้วที่มันไม่พูดไม่จาวันมันปวดกูก็ลงทุกอยู่ทั้งนานนึกว่ามันรู้เรื่องว่าเรานินทามันที่แท้มันไม่รู้เห็นไงอ่ะเข้าใจยังเห็นไหมตกลงเราทุกเพราะอะไรนี่ทุกเพราะเราไปยึดอวัตการของมันแล้วก็มาตีความหมายเองใส่เองว่าเองเองทุกเองเลยใช่ไหม ่ะเข้าใจตามนี้แล้วอจดขยักจดจดเลยเมื่อเราได้เคล็ดรับแล้วที่บอกว่าเมื่อมันเกิดความพอใจไม่พอใจในอาการสื่ อ, อย่างนั้นให้เราถอนที่ความรู้สึกตัว เนี่ยคือเคล็ดลับเคล็ดลับในการฝึกบทเริ่มต้นก็ตรงนี้เข้าสู่กระบวนการการฝึกก็ตรงนี้แม้แต่เดินทางก็อยู่ตรงนี้แหละแม้แต่เบื้องปลายก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเกินนี้แล้วแต่ความละเอียดมันจะละเอียดขึ้นความละเอียดในการจัดการทุกมันจะเร็วขึ้น จากแต่ก่อนเขาด่าเราเราโกรธกว่าจะกลับมารู้สึกตัวได้ครั้งสองครั้งมันไม่เอาอยู่หรอกอบางทีเป็นวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปยิ่งเราปฏิบัติเราเอาไปใช้มากขึ้นมากขึ้นยิ่งชำนานยิ่งชำชองบางทมีมันจะโกรธปั๊บแค่กระพริบตามันก็หลุดแล้วอันนี้คือความไหว เนาะความไวในการรู้สึกตัวแค่รู้ว่ากฏแค่หายใจเข้ารู้สึกตัวก็จบเนี่ยคือความไวในการปฏิบัติมันก็อันเดียวกันเขาเขาบอกเนาะบทพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตา มันยากที่จะเข้าไปเห็นมันแคบเหลือเกิ น, นตําราว่าไว้มันยากที่จะเข้าไปเห็นไปเห็นตรงเนี้ยทุกขังอนนี้จากอนัตตาแล้วมันเป็นยังไงพอเราท่องเราก็ท่องแปลใช่หรือไม่เราก็ว่าทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎตนี้แหละอมันก็ใช่อยู่ตรงนั้นนะจะถามว่ารู้แบบนี้แล้วประโยชน์คืออะไร เราถอนความยึดมั่นถือมั่นได้จริงไหมนั่นแหละแต่การเข้าไปเห็นทุกขังอนิจจังอ น, นัตตาตรงๆคืออะไรรู้ไหมเมื่อเราถอนความพอใจไม่พอใจมันเกิดเวทนามาปับ๊บเมื่อเราเกิดเมื่อมันเกิดเวทนามาปับ๊บเกิดความเมื่อยเกิดอาการต่างๆกับกายปับ๊บเมื่อเราถอนความพอใจไม่พอใจเสร็จปับ๊บนั่นแหละ คือช่องเข้ า, ขาไปเห็นเออเวทนามีแรงมีค่อยจริงเนาะเออมีเกิดมีดับ อ, อ๋อนี่ไงเป็นอนัตตาเ อ, อไม่ใช่ อ, อ๋อยังไงเป็นอนิจจังมันที่มันเกิดมันดับออแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นิวราเนี่ยมันจะเริ่มเห็นสั่งงานก็ไม่ได้บอกให้มาก็ไม่ได้บอกให้ไปก็ไม่ได้ อ, อ๋อนี่ไงอนัตตา เนี่ยมันจะเริ่มเห็นทุกขังอ น, นิจจังอนัตตาของจริงแล้วมันจะเริ่มถอนความยึดมัน่นถือมั่นถอนอุปทานก็ตรงนี้แหละ อ, นนอันนี้คือประโยชน์ที่แท้จริงเนาะในการเห็น ความคิดยังมีเหมือนเดิมไหมมีไห ม, มเดี๋ยวมันวิ่งออกไปวิ่งเข้ามามีไหมความง่วงล่ะมีไหมความปวดความเมื่อยล่ะมีไหมสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะทำกี่ปีกี่ปีมันก็มีอยู่ในสี่อย่างนั้นแหละกายมันก็มีเวทนาแทรกอยู่ หรือความคิดมันก็มีธรรมะรมแทรกอยู่อยู่แบบนี้อันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติตรงๆแต่เรากับมีความพอใจไม่พอใจความชอบไม่ชอบในสีอาการเหล่านี้สอดแทรกเสมอแต่มาวันนี้แล้วเรามาฝึกเนาะเมื่อมันเกิดสิ่งนั้นก็รู้สึกตัวถอนตรงนั้นออกซะ จำประตูบาลีเมื่อเช้าได้ไหมจำได้ไหมประตูบาลีนั่นแหละไอ้สองฝั่งนั้นคือความพอใจและไม่พอใจเมื่อเราติดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมันจะผ่านได้ไหมมันผ่านไม่ได้นะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวไว้มีความรู้สึกตัวนั่นแหละคือตรงกลางคือทางออกคือทางรอด ยุดกับนั่งเข้าที่ได้เป็นยังไงวันที่สองกับการปฏิบัติวันนี้นะบวดทดสอบวันนี้อาจจะหนักหน่อยเนาะ เพราะว่าเต็มๆก็อยากให้นั่นแหละทำไมถึงอยากให้ไปเจอให้ให้ไปเจอเจอกระบวนการที่มันเกิดเพราะว่าเราถ้าพูดถึงเรื่องทุกปั๊บเราอยากเจอไหมเราต้องบังคับหน่อยล่ะบังคับว่าให้ไปเจอให้ให้มันเกิดกระบวนการแต่เราก็ไม่ได้ให้ไปเจอเฉยๆใช่หรือไม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไม่ได้เจอเฉยๆไปเจอสาเหตุด้วยว่ามันเกิดยังไงเจอวิธีออกด้วยใช่ไหม ว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงพอเจอครั้งที่สองเป็นยังไงจําโจทย์ได้ไหมที่บอกว่า20่นาทีแรกกับสิบนาทีสุดท้ายเนาะสังเกตไหมว่ารอบที่สองเ ร, เริ่มสบายขึ้นใช่หรือไม่ว่าเราอยู่กับมันได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมเรามีประสบการณ์แล้วเราเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึง่งเรารู้แล้วอะว่าจะเจออะไรมันจะมีอะไรบ้างกระบวนการเป็นยังไง การปฏิบัติธรรมะมันก็แบบนี้แหละเนาะบางทีบางอย่างครั้งเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องไปเจออีกซ้ําแล้ ว, ซ, ลวซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ที่เราไปเป็นนั่นแหละประสบการณ์ที่เรากลับมาได้ประสบการณ์ที่เราไปเจอสาเหตุอยู่แบบเนี้ยปัญญามันจึงจะปรากฏเนาะปัญญาในพุทธปัญญาในศาสนาพุทธมันไม่ใช่ความฉลาดไม่ใช่ว่าอ่า น, นฉันฉลาดกว่ารู้เยอะกว่า อ่านมาเยอะกว่าไม่คุณไปเจออะไรตรงๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นตรงๆรนี่แหละคือปัญญาเนาะถ้าปัญญามันพักปรากฏปัญญามันแจ่มแจ้งแล้วรอบต่อมารอบต่อไปอาการเหล่านี้มันจะปรากฏปั๊บมันจะรู้เลยว่าก็รู้แล้วอ่ะมันจะมีอะไรต่อก็รู้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อรอบนี้จะไม่เข้าไปเป็นกันมาอีกแล้วรอบนี้จะไม่ไปตามมันอีกแล้วจะเป็นแบบนั้น นะเพราะว่ามันได้รู้แล้วมันได้แจ่มแจ้งในตัวเขาเองแล้วนี่คือปัญญาในาศาสนาะพุทธเนาะมั น, ม, นมันไม่ใช่การอ่านมาเยอะท่องมาเยอะรู้มาเยอะไม่แต่มันคือประสบการณ์เนาะก็กล้าพูดเลยว่าปัญญาคือประสบการณ์เนาะที่อื่นเขาไม่กล้าพูดว่าปัญญาคืออะไรใช่หรือไม่แต่คือนี้แหละเราเข้าไปเห็นตรงๆเนาะเก็บเกี่ยวทุกอย่าง ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ตัวสำคัญเห็นทางออกจากตรงนั้นเนี่ยเนาะที่เราปฏิบัติไปเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็ท่านก็ให้บอกเลยว่าท่านปล่อยเคล็ดลับไปแล้ววิชาไม่ต้องมีเคล็ดลับปล่อยไปแล้วด้วยรู้ตัวไหมยม่ได้เคล็ดลับวิชาไปแล้ววิชาไม่ต้องมีเคล็ดลับแต่เคล็ดลับมันเนี่ยมันก็ไม่รับหรอกแต่เราก็ชอบบอกกันว่าแค่นี้เหรอ รู้แค่นี้ก็พอเหรออันนี้เหรอคือเคสลับก็อยากจะบอกว่าก็แค่นั้นแหละคือเคส็ลับอะไรนะเมื่อเส้นสีแดงมันไปเหตเส้นสีแดงไหมเมื่อมันไปอยู่กับสิ่งไหนมันเกิดอะไรในสี่อย่างนั้นมันเกิดความพอใจรลอไม่พอใจใช่ไหมเราทำยังไงทำยังไงพอมันเกิดความพอใจไม่พอใจ ลองยกมือขวาขึ้นสิรู้สึกตัวไหม ย, ยกมือซ้ายขึ้นรู้สึกตัวไหมลองหายใจเข้ารู้สึกไหมหายใจออกรู้สึกไหมลองกระพริบตารู้สึกไหมภาวะที่รู้สึกมันเป็นบวกเป็นลบไหมมันเป็น yes เป็น no ไหมเนอะอันนี้แหละคือทางออกเนะคือเคล็ดลับภาวะที่มันรู้สึกตัวน่แหละคือการถอนกับ คือการทวนกระแสกับเนี่ยเขยนรับวิชาจบแล้วจริงจรจบแล้ววิชาสติปัฏฐานสูตรจะรู้จักไม่รู้จักก็ช่างเดี๋ยวจบแล้วจริงนะจบแค่น้แหละอืมมันมีแค่นี้ก็บอกแล้วถ้าเราเรียนถ้าเรามาตรงทางเนาะถ้าเรามาตรงทางมาเจาะจงเรื่องทุกและการดับทุกมันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่แค่นี้แหละใบไม้ในกำมือพระเจ้าบอกว่า ความรู้ของพระองค์นะตอนเป็นเจ้าชายหรือความรู้ที่พระองค์มีมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเปียบเสมือนใบไม้ในป่าถามว่าเยอะไหมใบไม้ในในป่าเยอะมากเยอะมากมายเต็มไปหมดแต่หลังการตัดสริรู้ตลอด45พรรษาเป็นผู้เจ้าแล้วสิ่งที่พระองค์เอามาสอนมันแค่ใบไม้มในกํามือถามว่าใบไม้ในกํามือเยอะไหมเนอะสามารถนับไปได้นับว่ามีไม่กี่ใบ ก็แค่นั้นแหละเพียงพอแล้วในการเรียนรู้สู่ความพ้นทุกข์และคนทุกวันนี้เป็นยังไงคนทุกวันนี้เป็นยังไงวิ่งเข้าป่าไปนับใบไม้ไ ม, มีกี่ใบกี่อย่างใช่หรือไม่นั่นแหละแต่เรากลับไม่ได้ย้อนมาสังเกตรตรงนี้เลยเนาะมันมีแค่นี้แหละใบไม้ในกำมือเนาะไม่มีเรื่องอื่นเนาะถ้าเราศึกษาอยู่แค่นี้มันก็จบแค่นี้เนาะ แค่เราถอนความพอใจไม่พอใจในสีอการนี้ก็จบแล้วไม่มีสิ่งอื่นแต่วันพรุ่งนี้วันต่อไปอาจจะมีบางส่วนเนาะเป็นส่วนขยายเพอีกแต่ถ้าเราดูดีๆแม้จะส่วนขยายมันก็อันเดียวกันถ้าถ้าขยายจากนี้ไปมันก็เป็นขันห้าใช่ไหมจากสี่เป็นห้าเป็นเรื่องขันห้าก็อันเดียวกันหรือไปอีกกว่านั้นปฏิจจสมุปบาทสิบสช่องมันก็อันเดียวกัน แค่มันขยายส่วนไปเฉยๆความละเอียดมันเฉยๆแต่มันอันเดียวกันเดี๋ยวใครว่ากันในตรงนั้นเนาะนั่นะแหละก็มีแค่นี้ที่เราเรียนที่เราที่เราที่พาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาปฏิบัติมามีแค่นี้เพราะว่าหลูงพี่เรเรียนมาฟังมาสปีแล้วมีแค่นี้แหละไม่เคยไม่เคยมีอะไรเหนือกว่า น, นี้เนาะไม่เคยมีขั้นตอนอะไร เคล็ดลับคนนี้อีกไหมไม่มีแล้วมีอะไรสูงกว่านี้ไหมไม่มีอีกแล้วมีอยู่แค่เนี้อยู่ที่ว่าเราจะออกไปทํำไหมเนาะว่าเอาไปทํำไห ม, ไไหมและที่สําคัญเนาะก็ทิ้งท้ายให้เป็นความรู้แล้วกันแต่อย่าไปเอาอะไรมากเนาะอันนี้เป็นในวิชาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระเจ้าบัญญัติไว้เลยนะถ้าถ้าผู้ใดปฏิบัติถ้าผู้ใดมุ่งอยู่แค่เนี้ถอนความพอใจและไม่พอใจทั้งสี่อาการเนี้ทําอยู่แค่นี้แหละ เป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าบอกไว้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นได้แค่สองอย่างเขาเหล่านั้นเป็นได้อยู่สองอย่างไม่ต่ากว่านี้ไม่ตกต่ำกว่านี้แล้วหรือไม่เป็นอะไรเนาะไม่เป็นพระนาคามีก็เป็นพระอาหารหันตจบอยู่แค่นั้นถ้ายังไม่เสร็จก็ค้างอยู่ที่พระนาคามีแต่ถ้าหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นพระอาหารหันตทำไมถึงไม่ต่ำกว่านี้ล่ะทาไมถึงไม่เป็นพระโสดาบันล่ะ ทำไมถึงไม่ตกต่ำกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมความพอใจไม่พอใ จ, อใจมันคืออาหารของ<พ> อ, อะไรวะสังโยตัวที่ี <c oughs> อ่านก่อน <c oughs> นี่แหละความสังโยตัวที่ีมันชื่อว่ากามราคะสังโยตัวที่5มันชื่อปฏิฆะความพอใจและความไม่พอใจมันคือเชื้อให้เกิด ป, ปฏิฆานุสัยกับราฆานุสยัย ปฏิฆะก็คือความไม่พอใจใช่หรือไม่ปฏิคะคือเชื้อให้เกิดความก็คือความไม่พอใจนี่แหละเมื่อเราถอนความไม่พอใจปับ๊บมันก็ถอนเชือ้อมันก็ตัดเชื้อออกไปแล้วความกดมันจะปรากฏไหมความกดมันจะปรากฏไหมเนาะเมื่อมันไม่มีเชือ้อไม่มีอาหารมันก็จะรีบลงรีบลงมันก็จะฟอไปเองอีกฝั่งหนึ่งราคานุสัยเนาะ คือความชอบความพอใจในสิ่งต่างๆพอเราเห็นปั๊บเราตัดออกเราถอนกลับมารู้สึกตัวอะไรมาชื่อเลื่อนแล้ว mm hmm. นี่แหละภาษาบาลีกามลักะกามลักะมันก็จ ะ, จะเริ่มฝ่อลงฝ่อลงใครหรือไม่เพราะว่าเราตัดเชื้อไปแล้วอืความอยากได้อยากมีอยากครองมันก็จะเริ่มค่อยๆหายไปหายไปเนี่ยทําไมถึงบอกว่าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า พระอนาคามีคือพูดทีละสองโยนดต่อที่สที่หอย่างเด็ดขาดคือการะราคะกับปฏิฆะเนาะไม่ต้องไปเอาหลอกหนึ่งสองสามเนาะมันแพ็ก เ, เกจมันเป็นสิ่งที่ต้อ ง, องพระเจ้าบอกว่าหวังได้แค่สองอย่างไม่ตกต่ำกว่านั้นเนาะเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าว่าไว้คิดดูอันสิสงมันขนาดไหนเนาะมันขนาดไหนหรือถ้าผู้ใดทําต่อเนื่องทำต่อเนื่อง ยิ่งปฏิบัติต่อเนื่งยิ่งเร็วขึ้นก็มยียึดอย่างเดียวแหละก็หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงเนี่ยคืออ่านเนี่ยคืออานออาาุภาพมันเนาะถ้าเราปฏิบัติอยู่แค่นั้นอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นความรู้เฉ ย, ยเสริมให้เนาะแต่บอกว่าอย่าอย่าไปอยากได้แบบนั้นเลยเนาะอย่าไปหวังเพื่อจะอยากได้ตรงนั้นเลยแต่ขอให้เราปฏิบัติมุ่งสื่อเรื่องทุกข์ไว้ฉันจะเข้าใจเรื่องทุกข์ บอกเลยว่าสังโยกสิบตัวที่เล่ามา ม, นะมันก็คือเรื่องทุกนมันก็คือเรื่องทุกตีรวมคือเรื่องทุกพอไม่เข้าใจเรื่องทุกนี่แหละมันจึงเป็นน้นเป็นนี่มันจึงหลวงว่าเป็นเรากายนี้เป็นเราทุกอย่างเป็นเราแต่พอมันได้เข้าใจแล้วโอ้ดีแทมเป็นแม้แต่ลงไป น, นี่ก็เป็นทุกขนั่นแหละมันจะเริ่มคายลงคายลงเนาะทั้งหมดมันคือเรื่องทุกถ้าเราปฏิบัติตรงนี้พับมันก็ตรงทางเนาะถ้าผู้ที่เป็นถ้าผู้ที่รู้แล้วเขาจะบอกว่า มันก็แค่สมมติบัญญัตที่ว่าไว้แต่ใจที่ไม่ทุกข์น่ะคือของจริงกว่าแล้วก็เราก็จะบอกตัวเองว่าเออจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แบบที่เขาว่าแต่เป็นผู้ไม่ทุกข์อ่ะดีกว่าเนาะเป็นผู้ไม่ทุกข์ดีกว่าเป็นผู้ที่ทุกข์น้อยลงอะ่ะดีกว่าเนาะอันนี้สำคัญกว่าเนาะก็บ่ายนี้ก็ฝากไว้ทานี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวทุกท่านเตรียมตัวกราบขอบคุณพี่พร้อมกันนะคะ ครับ